คำพีวิสุทธิมักบปริเฉตที่สิบสามอภิญญานิเทศบัดนี้ถึงวาระแสดงเรื่องทิพโสตธาต่อไปนักศึกษาพึงทราบความแห่งพระบาลีเป็นต้นว่าพระโยคีนั้นเมื่อมีจิตตั้งมั่นอย่างนี้ดังในทิพโสตธาตุนิเทศนั้นก็ดีในอภิญญาสามต่อ น, นั้นไปก็ดี ด้วยความหมายดังที่กล่าวไว้แล้วในตอนว่าด้วยอิทธิวิทะนิเทศเถิดในพระบาลีว่าด้วยเรื่องอภิญญาทั้งหมดนี้ข้าพเจ้าจะขยายเฉพาะข้อความที่แปลกกันเท่านั้นทิพย์โสตธาตุคถาบรรดาคําเหล่านั้นในคําว่าด้วยโสตาธาตุอันเป็นทิพย์นี้มีอธิบายดังต่อไปนี้ โสตธาต์ชื่อว่าเป็นทิพเพราะเป็นเช่นเดียวกับของทิพความจริงเป็นเรื่องธรรมดาที่ธาต์คือประสาทหูของพวกเทวดาเป็นธรรมชาติที่เกิดจากสุจริตกรรมมีได้เกลือกลัวด้วยโทษมีน้ำดีเสมหะและโลหิตเป็นต้นจึงสามารถรับอารมณ์แม้ในที่ไกลได้เพราะพ้นจากสิ่งที่เข้าไปทำให้ขุนมัว แม้ธาตุคือประสาทหูอันสเร็จด้วยยานซึ่งบังเกิดขึ้นได้ด้วยกำลังแห่งวิริยะภาวนาของภิกษุน้เล่าก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าทิพเพราะเป็นเหมือนของทิพอีกนัยยะหนึ่งชื่อว่าเป็นทิพเพราะพระโยคีได้ด้วยอำนาจทิพยาวิหารและเพราะเหตุที่อิงอาศัยทิพยวิหารของตน ชื่อว่าโสตธาตเพราะอัตถว่าได้ยินและเพราะอัตถว่ามิใช่ชีวะเป็นแต่เพียงาธาตุเท่านั้นอันหนึ่งชื่อว่าโสตธาตแม้เพราะเป็นเพียงดังโสตธาตเพราะทากิจของโสตทาตได้ด้วยโสตทาตเพียงดังทิพนั้นคำว่าหมดจดคือบริสุทธ ปราศจากเครื่องเข้าไปเศร้าหมองคําว่าล่วงวิสัยของมนุษย์คือล่วงได้แก่ดํารงอยู่ล่วงเลยหูเนื้อซึ่งเป็นวิสัยของมนุษย์เพราะได้ยินเสียงล่วงอุปจาระของมนุษย์ไปคําว่าฟังได้สองเสียงคือฟังเสียงได้สองชนิดชนิดอะไรบ้างคือเสียงทิพหนึ่ง เสียงมนุษย์หนึ่งมีอธิบายว่าเสียงของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายด้วยคําว่าฟังได้ทั้งสองเสียงนี้พึงทราบการกําหนดส่วนที่ได้ยินเสียงดังนี้คําว่าเสียงเหล่าใดทั้งไกลและใกล้นั้นมีอธิบายว่าเสียงเหล่าใดอยู่ที่ไกลคือแม้จะอยู่ในจักรวาลอื่น และเสียงเหล่าใดอยู่ที่ใกล้จนชั้นที่สุดแม้แต่เสียงของสัตว์ตัวเล็กๆที่อยู่อาศัยในยร่างกายของตนเธอย่อมได้ยินเสียงเหล่านั้นได้อย่างชัดเจนด้วยคำว่าเสียงเหล่าใดทั้งไกลและใกล้นั้นพึงทราบการกำหนดอย่างไม่มีเขตแดนดังนี้ก็ทิพย์พระโสดาตันี้จะพึงให้เกิดขึ้นได้ด้วยวิธีการอย่างไร คือภิกษุนั้นต้องการเข้าฌานที่มีอภิญญาเป็นบาตรพอออกแล้วมีจิตตั้งมั่นด้วยบริกรรมสมาธิตอนแรกๆพึงนึกถึงเสียงที่หยาบมีเสียงราชสีในป่าเป็นต้นซึ่งอยู่ในที่ไกลที่มาปรากฏทางโสตประสาทตามปกติพึงนึกถึงเสียงที่ละเอียดเป็นชั้นๆไปโดยลาดับเริ่มต้นแต่เสียงที่หยาบกว่าเขาทั้งหมดอย่างนี้ คือเสียงระฆังในวิหารเสียงกลองเสียงสังเสียงที่พวกภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยพากันท่องบนอยู่อย่างเต็มกำลังเสียงที่พวกคนผู้พูดอยู่ตามปกติเช่นว่าอะไรน่ขอรับอะไรกันคุณเป็นต้นเสียงนกเสียงลมเสียงเท้าเสียงน้ำเดือดดังคลักๆลเสียงใบตานที่แห้งกรอบอยู่ที่แดดเสียงมดดาและมดแดงประโยคีนั้น พึงสนใจสัทธานิมิตแห่งเสียงทั้งหลายในทิศตะวันออกในทิศตะวันตกในทิศเหนือในทิศใต้ในทิศเบื้องล่างในทิศเบื้องบนในทิศตะวันออกเฉียงเหนือในทิศตะวันออกเฉียงใต้ในทิศตะวันตกเฉียงเหนือและในทิศตะวันตกเฉียงใต้ประโยคีนั้นพึงสนใจสัทธานิมิตแห่งเสียงทั้งหลายทั้งที่หยาบทั้งที่ละเอียดเสียงเหล่านั้น ย่อมปรากฏชัดแก่พระโยคีนั้นผู้มีจิตดำรงอยู่ตามปกติก็เมื่อเธอมีจิตเป็นสมาธิด้วยการบริกรรมเสียงย่อมปรากฏชัดเป็นอย่างยิ่งเมื่อเธอมนาสิการถึงสัทธานิมิตอยู่นั่นแหละมโนทวาราวัชนะทำเสียงเหล่านั้นอย่างใดอย่างหนึ่งให้เป็นอารมณ์เกิดขึ้นว่าทิพโสตธาตุจะเกิดขึ้นในบัดนี้ เมื่อมโนทวาราวัชนะนั้นดับแล้วชาวนะสี่หรือห้าดวงที่มีชาวนะสามหรือสี่ดวงข้างต้นเป็นกาาวจรมีชื่อว่าบริกรรมอุปจาระอนุโลมและโคตรภูดวงที่สี่หรือที่ห้าเป็นอปปนาจิตฉันรูปาวจรนับเข้าในฌานหมวดสีย่อมแล่นไป ยานใดซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกับอัปปนาจิตนั้นในอัปปนาวิถีนั้นนี้พึงทราบว่าทิพโสตธาตุเบื้องหน้าแต่นั้นทิพโสตธาตุก็ตกไปในกระแสนั้นพระโยคีเมื่อทําทิพโสตธาตุนั้นให้เกิดขึ้นกําลังกําหนดที่ระยะเพียงชั่วองค์คุลีเดียวว่าจะฟังเสียงในระยะนี้แล้วพึงให้ขยาย แต่นั้นพึงกำหนดด้วยอำนาจสององคุลีสี่องคุลีแปดองคุลีคืบสอกภายในห้องหน้ามุกปราศาสตร์บริเวณสังขารามโคจราคามและชนบทเป็นต้นจนตลอดถึงจักรวาลหรือกำหนดให้ยิ่งกว่านั้นก็ได้กำหนดและพึงขยายออกไปพระโยคีนี้ ได้บรรลุอภินยาแล้วอย่างนี้ย่อมได้ยินเสียงแม้ที่อยู่ภายในระยะโอกาสที่ทิพพระโสตถาตุญาณที่มีฌานเป็นบาทเป็นอารมณ์ถูกต้องแล้วก็เมื่อฟังอย่างนี้แม้หากจะมีเสียงกึกก้องเป็นอย่างเดียวกันกับเสียงสังกลองและบันดอกเป็นต้นดังขึ้นไปจนกระทั่งพรห ม, มโลกเมื่อมีความมุ่งหมายจะกำหนดเฉพาะเสียงเดียว เธอก็อาจจะกําหนดแยกเสียงได้ว่านี้เสียงสังนี้เสียงกลองได้ทีเดียวจบทิพสโตทธาตุกถาเจโตปริย า, ยานาคกถาคําว่าด้วยเจโตปริย า, ยานในเจโตปริย า, ยานกถานี้มีอธิบายดังต่อไปนี้ ยานชื่อว่าปริยะเพราะอัตถะว่าไปรอบอธิบายว่าย่อมกำหนดด้วยยานอันกำหนดใจของผู้อื่นได้ชื่อว่าเจโตปริยะยานนั้นด้วยกำหนดใจของผู้อื่นได้ด้วยเหตุนั้นชื่อว่าเจโตปริยะยานอธิบายว่า เพื่อประโยชน์แก่เจโตปริย า, ยา น, นั้นคำว่าของสัตว์อื่นคือของสัตว์พวกที่เหลือเว้นตนเสียแม้คำว่าแห่งบุคคลอื่นนี้ก็มีความหมายเป็นอันเดียวกันกับบทว่าของสัตว์พวกอื่นนี้เหมือนกันแต่ที่ท่านทําพยัญชนะให้ต่างกันก็โดยอํานาจแห่งเวนายาสัตว์และด้วยความไพเราะแห่งเทศนา คำว่ากำหนดใจด้วยใจคือกำหนดใจของสัตว์เหล่านั้นด้วยใจของตนเองคำว่ารู้ชัดคือรู้ทุกสิ่งทุกประการด้วยอำนาจแห่งสัตว์ผู้มีราคะเป็นต้นถามว่าก็ยานี้จะพึงให้เกิดขึ้นได้อย่างไรตอบว่า ก็ญาณนิยมสำเร็จด้วยอำนาจทิพยจักสุทิพยจักสุญาณนั้นเป็นบริกรรมแห่งเจโตปริยะญาณนี้เองเพราะเหตุนั้นภิกษุนั้นเจริญอาโลกกสินแล้วมองเห็นสีแห่งโลหิตะักซึ่งเป็นไปอาศัยหาไทรูปของผู้อื่นด้วยจักสุดุดทิพแล้วพึงสอบสวนดูจิตก็เมื่อใดสมณจิตเป็นไป เมื่อนั้นหัทยรูปย่อมมีสีแดงเป็นเช่นเดียวกับผลไทรสุกพลังเมื่อใดโทมานาจิตเป็นไปเมื่อนั้นหัทยรูปย่อมมีสีดำเช่นเดียวกับผลว่าสุกเมื่อใดอุเบขาจิตเป็นไปเมื่อนั้นหัทยรูปย่อมผ่องใสเช่นเดียวกับน้ามันงาเหตุนั้น เธอเห็นสีเลือดหัวใจผู้อื่นว่ารูปนี้มีอินทรีย์คือสมนัตเป็นสมุดฐานรูปนี้มีอินทรีย์เป็นโทมนัตเป็นสมุดฐานรูปนี้มีอินทรีย์คืออุเบคาเป็นสมุดฐานดังนี้แล้วเมื่อจะสอบสวนพึงทำเจโตปริยญาณให้ถึงความแรงกล้าเถิดแม้เมื่อเจโตปริยญาณ น, นั้นถึงความมีกาลังแรงกล้าอย่างนี้แล้ว เธอย่อมรู้ชัดถึงการมาวจรจิตและรูปาวจรจิตอรูปาวจรจิตทั้งหมดอยู่จึงดำเนินเข้าหาจิตอื่นนั่นแลจากจิตนั้นได้โดยลำดับแม้เวนการดูฮัทยรูจริงอยู่แม้คำนี้ท่านก็กล่าวไว้ในอัตถกาถาว่าถามว่าสำหรับอรูปสมาบัติประโยคขีต้องการจะรู้จิตของผู้อื่น จะดูหัตยรูปของใครจะมองอินทรีย์อันแปลกแปลกของใครตอบว่าไม่ต้องดูของใครอันนี้เป็นวิสัยของท่านผู้มีฤทธิ์คือการที่จะนึกถึงจิตในที่แห่งใดแห่งหนึ่งจึงรู้จักจิตสิบหกประเภทก็ถ้อยคำนี้ท่านกล่าวหมายถึงผู้ที่ไม่ได้ทำการสั่งสมไว้ก็ในคำเป็นต้นว่าจิตมีราคาหรือ ดังนี้มีอธิบายว่าจิตที่สหคตะด้วยโลภามูลจิตแปดดวงพึงทราบว่าจิตมีราคาจิตที่เป็นกุศลและอัพญากริอันเป็นไปในภูมิสี่ที่เหลือชื่อว่าจิตที่ปราศจากราคาก็จิตสี่ดวงเหล่านี้คือจิตที่ประกอบด้วยโทมนัสสองดวง จิตที่ประกอบด้วยวิจิคิชาหนึ่งดวงจิตที่ประกอบด้วยอุทธะธจะหนึ่งดวงไม่ได้ทำการรวบรวมเข้าในทุกกะนี้แต่พระเทระบางพวกก็ทำการรวบรวมทั้งจิตสี่ดวงนี้นั้นเข้าด้วยก็จิตที่ประกอบด้วยโทมนัสสองดวงชื่อว่าจิตมีโทศัแม้จิตที่เป็นกุศลและอภยยากฤษตเป็นไปในภูมิสี แม้ทั้งมวลชื่อว่าจิตที่ปราศจากโทสะอาุศลจิตสิบ ด, ดวงที่เหลือไม่ได้ทำการรวบรวมเข้าในทุกกะนี้แต่พระเทระบางพวกก็ทำการรวบรวมอาุศลจิตสิบ ด, ดวงนั้นเข้าด้วยก็ในคำว่ามีโมหะปราศจากโมหะนี้มีอธิบายว่าจิตสองดวงคือจิตที่สหคตะ ด้วยวิจิกิจชาหนึ่งที่สหคตะด้วยอุทจจะหนึ่งชื่อว่าจิตมีโมหะตามในยะที่เป็นไปเฉพาะคือเป็นโมหะแท้ๆไม่ปนด้วยโลภะโทสะฝ่ายอากุศ ล, ลจิตทั้งสิบสองดวงพึงทราบว่าจิตมีโมหะเพราะโมหะเกิดในอกุศลทั้งปวงจิตที่เหลือชื่อว่าจิตปราศจากโมหะ ส่วนจิตที่คล้อยไปตามทีณะเจตสิกและมิทาเจตสิกพึงทราบว่าเป็นจิตที่หดหูจิตที่คล้อยไปตามอุทจจะเจตสิกพึงทราบว่าเป็นจิตที่ฟุ้งซ่านจิตที่เป็นรูปราวจรและอรูปราวจรพึงทราบว่าเป็นมหคตจิตจิตที่เหลือจากนั้น พึงทราบว่ามิใช่มหาคตาจิตจิตที่เป็นไปในภูมิสาแม้ทุกดวงพึงทราบว่าสอุตรจิตจิตที่เป็นโลกุตระพึงทราบว่าเป็นอนุตรจิตจิตที่บรรลุอุปจาระและอัปปนาพึงทราบว่าเป็นจิตที่ตั้งมั่น จิตที่ไม่บรรลุถึงอุปจาระและอัปปนาทั้งสองอย่างนั้นพึงทราบว่าจิตที่ยังไม่ตั้งมัน่นจิตที่บรรลุถึงตทถังคาวิมุตติวิคัมพนาวิมุตติสมุเทเฉทวิมุตติปฏิปสัตธิวิมุตติและนิสวรณาวิมุตติพึงทราบว่าเป็นวิมุตติจิต จิตที่ยังไม่ถึงวิมุตต์ทั้งสี่อย่างนี้พึงทราบว่ายังไม่เป็นวิมุตติจิตภิกษุผู้ที่ได้เจโตปเรียาญาณดังที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ย่อมรู้ชัดแม้ทุกสิ่งทุกอย่างว่าจิตมีราคะเป็นต้นจนถึงจิตหลุดพ้นหรือยังไม่หลุดพ้นดังนี้ได้จบ เจโตปริย า, ยานกถาปุเพนิวาสานุสติยานกถานักศึกษาพึงทราบวินิจฉัยในปุเพนิวาสานุสติยานกถาดังต่อไปนี้คําว่าเพื่อปุเพนิวาสานุสติยานกถานี้ คือเพื่อประโยชน์แก่ยานในการนึกถึงขันที่เคยอาศัยมาในการก่อนที่ชื่อว่าขันที่เคยอาศัยมาในการก่อนก็คือขันที่เคยอยู่ครอบครองในการก่อนได้แก่ในชาติที่ล่วงไปแล้วนับไม่ถ้วนคําว่าอยู่ครองคือที่ตนได้เคยครอบครองมาที่ตนเคยเสวยผลมาได้แก่ที่เกิดดับในสันดานของตน หรืออาการต่างๆที่อาศัยขันคำว่าอยู่ครอบครองคืออยู่ประจาโดยการอยู่อาศัยเป็นโคโจรได้แก่ที่กำหนดรู้ชัดได้ด้วยวิญญาณของตนหรือที่กำหนดรู้ชัดได้ด้วยวิญญาณของผู้อื่นในเวลาที่อนุสรถึงท่านผู้ตัดขาดวัตตะสงสารถึงนิพพานแล้วพระพุทธเจ้าทั้งหลายเท่านั้น จึงจะมีนิมุทธธรรมเหล่านั้นได้คาว่านึกถึงขันที่เคยอาศัยมาในการก่อนคือพระโยคีนึกถึงขันที่เคยอยู่อาศัยมาในการก่อนได้ด้วยสติใดสตินั้นชื่อว่าปุเพนิวาสานุสติยานอันสัมปยุทธด้วยสตินั้นชื่อว่ายาน เพื่อประโยชน์แก่ยานอันสัมปยุตด้วยสตินึกถึงขันธ์ที่เคยอยู่อาศัยมาในการก่อนนี้ดังบรรยายมานี้มีอธิบายว่าเพื่อปลุกเพนิวาสานุสติยานคือเพื่อการบรรลุถึงซึ่งยานนี้คําว่ามิใช่อย่างเดียวคือหลายอย่างหรือที่ท่านให้เป็นไปคือพันน า, น า, นานได้หลายอย่าง คำว่าขันที่เคยอยู่อาศัยมาในการก่อนคือสันดานที่ตนเคยอยู่อาศัยครอบครองในพบนั้นนั้นตั้งต้นแต่พบที่เป็นอดีตล่วงมานี่เองคำว่านึกได้คือระลึกย้อนไปตามลำดับแห่งขันหรือว่าตามลำดับจุติละปฏิสนธิความจริงชนหกจำพวก ย่อมระลึกถึงปุเพสั น, นิวาสนี้ได้คือพวกเดียรถีหนึ่งพวกสาวกปกติทั้งหลายหนึ่งพระมหาสาวกทั้งหลายหนึ่งพระอัคราสาวกทั้งหลายหนึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายหนึ่งพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์หนึ่งในชนหกจำพวกนั้นพวกเดียรถีระลึกได้เพียงสี่สิบกันเท่านั้น ไม่ยิ่งไปกว่านั้นได้เลยเพราะเหตุไรเพราะมีปัญญาน้อยจริงอยู่พวกโยรธีเหล่านั้นเป็นผู้มีปัญญาน้อยเพราะยังกำหนดนามรูปไม่ได้พระสาวกปกติทั้งหลายระลึกได้หนึ่งร้อยกันก็ได้หนึ่งพันกันก็ได้กันในที่นี้สะกดด้วยกอกไก ไม่หันอากาศลอลิงป่อป่าการันนะครับที่เรามักได้ยินคําว่ากลับกันนั่นเองพระสาวกปกติทั้งหลายระลึกได้หนึ่งรกันก็ได้หนึ่งพันกันก็ได้เพราะมีปัญญามากพระมหาสาวกแปสิบองค์ระลึกได้แสนกันพระอัคราสาวกทั้งสองระลึกได้หนึ่งอสงไข์กําไรแสนกัน พระปฏิเจกพะพุทธเจ้าระลึกได้สองอสงไข์กำไรแสนกันก็อภินิหารของท่านเหล่านั้นมีกำหนดประมาณไว้เท่านี้ส่วนอภินิหารของพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่มีกำหนดการอันหนึ่งพวกเดียรถีคือนักบวชนอกศาสนานั้นระลึกได้เฉพาะลำดับแห่งขันเท่านั้น ไม่สามารถจะลำดับขันและมาระลึกด้วยจติละปฏิสนธิได้เลยจริงอยู่เดี๋ยวรธิเหล่านั้นไม่มีการแวะลงสู่ที่ที่ตนปรารถนาได้เช่นเดียวกับคนตาบอดคือคนตาบอดละไม่เท้าเสีแล้วย่อมเดินไปไม่ได้ฉันใดพวกเดี๋ยวรธิละลำดับแห่งขันแล้วย่อมระลึกไม่ได้ฉันนั้น พระสาวกปกติทั้งหลายย่อมระลึกตามลำดับขันได้ทั้งระลึกต่อไปด้วยอำนาจจุติและปฏิสนธิก็ได้พระมหาสาวกแปสิทก็เหมือนกันส่วนพระอัครสาวกทั้งสองไม่ต้องมีการระลึกตามลำดับขันเพราะว่าท่านเห็นจุติแห่งอัตภาพหนึ่งแล้วเห็นปฏิสนธิและเห็นจุติแห่งอัตภาพอื่นอีก แล้วจึงเห็นปฏิสนธิท่านก้าวข้ามไปด้วยอำนาจจุติลปฏิสนธิด้วยอาการอย่างนี้แลพระปัเจ ก, กพุทธเจ้าก็เหมือนกันแต่สําหรับพระพุทธเจ้าทั้งหลายกิจ ด, ด้วยการระลึกตามลําดับขันไม่มีเลยกิจ ด, ด้วยการระลึกข้ามไปด้วยอำนาจจติลปฏิสนธิก็ไม่มีจริงอยู่พระพุทธเจ้าเหล่านั้น ทรงมีพระประสงค์จะทราบถึงที่ใดใในเบื้องต่ำหรือเบื้องบนก็ตามถึงเวลาจะผ่านไปตั้งหลายโกรธกันที่นั้นนั้นก็ยอมประกฏขึ้นทันทีเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นจึงทรงย่นย่อได้หลายๆโกรธกันดุดย่นย่อพระบาลีด้วยมีเปยียญานในวงเล็บเปยญา น, น้อยเปเปยญา น, น้อย ในพระคำพีเวลาที่ท่านจะยกพระบาลีมาอ้างอิงหลายส่วนจะไม่ยกมาทั้งหมดนะครับแต่จะใช้เปยยานย่อไว้ตรงกลางที่เขียนด้วยปยยานน้อยเปเปยยานน้อยในภาษาปกติก็จะใช้เปยยานใหญ่นะครับพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นจึงส่งย่นย่อได้หลายๆโกฎกันดุดย่นย่อพระบาลีด้วยมีเปยยานฉะนั้น ทรงพระประสงค์จะทรงทราบตรงที่ใดๆในกับใดในพบใดก็ก้าวเจาะลงด้วยพระญาณในที่นั้นๆในกับนั้นในพบนั้นได้เลยทรงดำเนินพระญาณไปได้อย่างแม่นยําปานดังราชสีปบสัตว์ในที่นั้นๆฉะนั้นก็พระญาณของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นซึ่งดำเนินไปอย่างนี้ย่อมไม่ผิดพลาดในชาติอันเป็นระวางระวาง เมื่อไม่ผิดไม่พลาดย่อมจับเอาเฉพาะที่ซึ่งพระองค์ปรารถนาที่เดียวเปรียบเหมือนอย่างลูกสอนที่นายขมังธนูเช่นท่านสารพังคาจา์ผู้ทำการอบรมยิงขนทรายยิงไปแล้วไม่ได้กระทบต้นไม้และเครือเถาเป็นต้นในระหว่างย่อมถูกเป้าหมายไม่ผิดไม่พลาดฉันนั้นสำหรับทรายหรือเนื้อทราย คือสัตว์ประเภทกวางชนิดหนึ่งนะครับก็ในพวกชนผู้นึกถึงปุกเพศนิวาสได้เหล่านี้การเห็นปุกเพศนิวาสคือระลึกชาติได้ของพวกเดียรถียอมปรากฏเป็นเช่นเดียวกับแสงสว่างแห่งหิงห้อยการระลึกชาติได้ของพระสาวกปกติยอมปรากฏเป็นเช่นเดียวกับแสงประทีป การระลึกชาติได้ของพระมหาสาวกย่อมปรากฏเป็นเช่นเดียวกับแสงคบเพลิงการระลึกชาติได้ของพระอัครสาวกย่อมปรากฏเป็นเช่นเดียวกับแสงดาวประจำรุ่งการระลึกชาติได้ของพระปัจเจกพุทธเจ้าย่อมปรากฏเป็นเช่นเดียวกับแสงพระจันทร์การระลึกชาติได้ของพระพุทธเจ้าย่อมปรากฏเป็นเช่นเดียวกับแสงพระอาทิตย์พันดวงในฤดูร้อน กรประดับประดาแล้วด้วยพระรัสมีตั้งพันรัสมีอันหนึง่งการระลึกชาติได้ของพวกเดรถัถีเป็นดุจการเดินไปด้วยปลายเม้าวของคนตาบอดการระลึกชาติได้ของพระสาวกปกติเป็นดุจการเดินทางไปบนสะพานไม้ท่อนการระลึกชาติได้ของพระมหาสาวก เป็นดุดการเดินไปบนสะพานสำหรับเดินเท้าการระลึกชาติได้ของพระอัครสาวกเป็นดุดการไปบนสะพานสำหรับเกวยนที่จะผ่านไปได้การระลึกชาติได้ของพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นดุดการเดินไปตามทางเดินเท้าที่ใหญ่การระลึกชาติได้ของพระพุทธเจ้าเป็นดุดการเดินไปตามทางเกวียนใหญ่ แต่ในอธิการนี้ท่านประสงค์ถึงการระลึกชาติได้ของพวกพระสาวกเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าคำว่านึกได้คือตามนึกไปเป็นขั้นตอนด้วยสามารถลำดับขันธ์หรือด้วยสามารถจุติละปฏิสนธิเพราะฉะนั้นภิกษุผู้เริ่มบาเพ็ญเพียรเพื่อต้องการระลึกชาติได้อย่างนั้น เวลากลับจากบินธบาศหลังอาหารไปในที่ลับหลีกเร้นอยู่เข้าชานทั้งสี่โดยลำดับออกจากชานทั้งสี่ซึ่งเป็นบาทแห่งอภินยาพึงนึกถึงการนั่งครั้งสุดท้ายแต่นั้นพึงนึกถึงกิจที่ตนทำทั้งกลางคืนและกลางวันทั้งสิน้นโดยย้อนถอยหลังอย่างนี้คือการให้ปูอาสนะการเข้าสู่เซนาสนะ การเก็บบาตรจีวรการชันพัฒหารเวลากลับมาจากบ้านเวลาเที่ยวบินทบาทในบ้านเวลาเข้าไปสู่บ้านเพื่อบินทบาทในบ้านเวลาออกจากวิหารเวลาไหว้ลานพระเจดีและลานพระศรีมหาโพเวลาล้างบาตรเวลารับบาตรกิจที่ทําแล้วตั้งแต่การรับบาตรตราบเท่าถึงการล้างหน้ากิจที่ทาแล้ว ในเวลาใกล้รุ่งกิจที่ทำแล้วในมัชฌิมยามกิจที่ทำแล้วในปฐมยามก็กิจเพียงเท่านี้ยอมปรากฏแจ้งแกจิตปกติแต่ปรากฏแจมอย่างยิ่งแกจิตที่เป็นสมาธิเพราะการบริกรรมก็หากว่าในกิจเหล่านี้บางอย่างไม่ปรากฏไส่ต้องเข้าฌานที่เป็นบาทอีกออกแล้วจึงนึกถึง ทำได้ถึงเพียงนี้กิจย่อมปรากฏดุจประทีปลุกโลงแล้วพึงนึกถึงกิจที่ตนทำโดยถอยหลังอย่างเดียวดังพรนานามมานี้แม้ในวันที่สองแม้ในวันที่สามที่สี่ที่ห้าแม้ในวันที่สิบแม้ในกึ่งเดือนแม้ทั้งเดือนหรือตลอดสิบปียี่สิบปีโดยอุบายนี้อยู่พึงนึกถึงนามรูป ซึ่งเป็นไปในขณะจุติในพบก่อนได้ก็ภิกษุผู้เป็นบัณฑิตย่อมอาจเพื่อจะเพิกปฏิสนธิทำนามรูปในขณะจุติให้เป็นอารมณ์ได้โดยวาระเดียวเท่านั้นก็เพราะเหตุที่นามรูปในพบก่อนดับไม่มีเหลือนามรูปอื่นเกิดขึ้นเหตุนั้นฐานนั้นอันคนสามปัญญาจึงมองเห็นได้ยาก ดุดที่มืดมิดอันของนาทึกครอบเถินไว้ในเบื้องบนภิกษุนั้นไม่พึงทอทุระโดยท้อใจว่าเราไม่อาจจะเพิกปฏิสนธิทำนามรูปซึ่งเป็นไปในขณะจุติให้เป็นอารมณ์ได้ก็เธอพึงเข้าชาญที่เป็นบาทนั่นแหละบ่อยๆและเธอออกจากชานั้นแล้วพึงนึกถึงที่นั้นเถิด ด้วยว่าเมื่อเธอทำไปอย่างนี้ก็เปรียบเหมือนบุรุษผู้มีกำลังเริ่มจะตัดต้นไม้ใหญ่เพื่อจะนามาทําเป็นช่อฟ้าเรือนยอดพอเริ่มตัดกิ่งละใบเท่านั้นคมขวานก็บินอยู่ไปไม่สามารถจะตัดไม้ใหญ่ได้แต่ก็ไม่ท้อทุระเสียเลยไปสู่โรงตีเหล็กให้ช่างตีขวานให้คมแล้วกลับมาตัดใหม่อีกขวานก็บินอยู่อีกเป็นวาระที่สอง จึงไปให้ช่างตีขวานให้คมอีกเหมือนเดิมแล้วกลับมาตัดอีกเมื่อเธอตัดอยู่อย่างนี้ไม่นานนักก็จะพึงโค่นต้นไม้ใหญ่ลงได้เพราะต้นไม้ที่ตัดไปแล้วไม่ต้องการมีการตัดอีกและที่ยังไม่ได้ตัดก็ต้องตัดอีกต่อไปฉันใดพระโยคีออกจากฌานที่เป็นบาทไม่นึกถึงฐานะที่ตนนึกในการก่อนนึกเฉพาะแต่ปฏิสนธิอย่างเดียว ไม่นานนักก็จะเพิกปฏิสนธิทำนามรูปซึ่งเป็นไปขณะจุติให้เป็นอารมณ์ได้ชันนั้นนักปราดพึงแสดงใจความอย่างนี้โดยเปรียบเหมือนคนผ่าฟืนและช่างโกนผมเป็นต้นก็ได้ก็ในฌานเหล่านั้นฌานที่ทำนามรูปให้เป็นอารมณ์เป็นไปแล้ว ตั้งแต่การนั่งครั้งหลังจนถึงปฏิสนธิย่อมไม่ชื่อว่าปุเพนิวาสยานแต่ยานนั้นชื่อว่าเป็นยานที่สัมปยุตด้วยบริกรรมสมาธิอาจารย์พวกหนึ่งกล่าวว่าอาติตังสยานดังนี้ก็มีคำของอาจารย์พวกหนึ่งนั้นไม่ถูกเพราะอาติตังสยานหมายถึงรูปาวจร ส่วนบริกรรมสมาธิเป็นกามาวจรก็ในเวลาใดมโนทวาราวัชนะก้าวล่วงปฏิสนธิทำนามรูปซึ่งเป็นไปในขณะจุติให้เป็นอารมณ์แล้วเกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้นก็ครั้นเมื่อมโนทวาราวัชนะนั้นดับแล้วชาวนะสี่หรือห้าดวงที่ดวงต้นเป็นกามาวจรมีนามว่าบริกรรมเป็นต้น ดวงสุดท้ายเป็นอัปนาจิตนับเนื่องในจตุทัฏชานชั้นรู ป, ปาวจรตามในยะที่กล่าวมาแล้วในก่อนทำนารูปนั่นแหละให้เป็นอารมณ์ย่อมแล่นไปในเวลานั้นญาณร่วมกับจิตนั้นอันใดย่อมเกิดแก่ภิกษุนั้นญาณ น, นี้ชื่อว่าปุเพนิวาสานุสติญาณพระโยคี ย่อมระลึกถึงปุเพสานิวาสได้หลายอย่างด้วยสติอันสัมปยุตด้วยญาณนั้นนี่คืออะไรคือนึกถึงปุเพสานิวาสมีหลายอย่างพร้อมทั้งอาการและพร้อมทั้งอุเทศดังบรรยายมานี้ตลอดชาติหนึ่งบ้างสองชาติบ้างเป็นต้นชะนี้แหละในบทเหล่านั้นบทว่า ตลอดชาติหนึ่งบ้างคือนึกได้ถึงขันทันดานอันนับเนื่องในภพหนึ่งซึ่งมีปฏิสนธิเป็นต้นมีจุดติเป็นปริโยสารแม้ในคำเป็นต้นว่าสองชาติก็มีนัยยะอย่างนี้เหมือนกันก็ในคำเป็นต้นว่าตลอดสังวัตรกรรเป็นอเนกมีอธิบายว่ากลับที่เสื่อมอยู่ พึงทราบว่าเป็นสังวัตตรกับกับที่เจริญพึงทราบว่าเป็นวิวัตตกับในกับทั้งสองนั้นสังวัตถาีสัตถ์ท่านกำหนดถือเอาด้วยสังวัตตกับเพราะเหตุไรเพราะมีสังวัตตะกับนั่นเป็นมูลส่วนวิวัตถาีสัตถ์ท่านกำหนดด้วยวิวัตตกับ ก็เมื่อเป็นอย่างนี้อาสงไข่กับเหล่าใดซึ่งตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายอาสงไข่แห่งกับสี่อย่างเหล่านี้สี่อย่างเป็นไฉนคือสังวัตตอาสงขหนึ่งสังวัตถายีอาสงข่หนึ่งวิวัตตอาสงข่หนึ่งวิวัตถายีอาสงข่หนึ่งดังนี้อาสงไข่เหล่านั้น ย่อมเป็นอันพระองค์กำหนดไว้ดีแล้วเหตุอสงไขสลายในอสงไขเหล่านั้นมีเหตุสลายสามอย่างคืออโปสังวัตตะสลายเพราะน้ำหนึ่งเตโชสังวัตตะสลายเพราะไฟหนึ่งวายโยสังวัตตะ สลายเพราะลมหนึ่งแดนของสังวัตตะ ถ, ถึงความสลายมีสามชั้นคือพรหมโลกชั้นอภัสราหนึ่งพรหมโลกชั้นสุภกินหาหนึ่งพรหมโลกชั้นเวหัพลาหนึ่งก็เมื่อใดกับย่อม ย, อย่อยยับไปเพราะไฟโลก ย่อมถูกไฟไหม้ภายใต้แต่ชั้นอภัสระพรล่ลงมาเมื่อใดกับย่อมย่อยยับไปเพราะน้ำโลกย่อมถูกน้ำละลายภายใต้แต่ชั้นสุปกินหาพรล่ลงมาเมื่อใดกลับย่อยยับไปเพราะลมโลกย่อมถูกลมพัดกระจัดกระจายภายใต้แต่ชั้นเวหภพลาพรล่ลงมา แต่เมื่อว่าโดยพิสดารสิ้นเขตแห่งพระพุทธเจ้ายกหนึ่งกับก็ย่อมชิบหายไปแม้ทุกเมื่อไปเขตของพระพุทธเจ้าสามประการธรรมดาว่าเขตแห่งพระพุทธเจ้ามีสามคือเขตที่ทรงอุบัติหนึ่งเขตแห่งพระอาชญาหนึ่ง เขตตามวิสัยหนึ่งในบรรดาพุทธเขตทั้งสามนั้นเขตที่ทรงอุบัตมีจักรวาลหมื่นหนึ่งเป็นที่สุดซึ่งเป็นเขตที่สัตว์หวนไหวในเพราะเหตุอัศจรรย์ทั้งหลายมีการถือปฏิสนธิแห่งพระตถาคตเป็นต้นเขตพระอาชยามีสาโกรจักรวาลเป็นที่สุดเป็นที่ซึ่งมีอนุภาพแห่งพระปริตเหล่านี้คือรัตนปริต ทันธปริธทะชชักาปริธอาตานติยะปริธและโมระปริธดำเนินไปเขตตามวิสัยไม่มีที่สุดไม่มีประมาณซึ่งตรัสไว้ว่าก็หรือจะพึงหวังเท่าใดคือในที่ซึ่งพระตถาคตจำงสิ่งใดๆก็ทรงรู้สิ่งนั้นนั้นได้ในพุทธเขตทั้งสามเหล่านี้ดังถแถลงมา เขตพระอาชญาอย่างเดียวเท่านั้นย่อมพินาศไปก็เมื่อเขตพระอาชญานั้นพินาศไปอยู่แม้เขตที่ทรงอุบัติก็ปลอยพินาศไปด้วยและเมื่อพินาศก็พินาศร่วมกันนั่นเองแม้เมื่อดำรงอยู่ก็ดำรงอยู่ร่วมกันการพินาศและการดำรงอยู่ของพุทธเขตทั้งสองอย่างนั้นนักศึกษาพึงทราบอย่างนี้แหล ก็สมัยใดกับพินาศไปด้วยไฟมหาเมฆที่ทำกับให้พินาศตั้งขึ้นแต่ต้นเทียวยังฝนใหญ่ให้ตกลงครั้งหนึ่งทั่วไปตลอดแสนโกจกรวานพวกมนุษย์พากันร่าเริงดีใจนำพืชพันธุ์ทุกชนิดออกมาหวานครั้นเมื่อเขากล้างอกขึ้นพอโคกินได้มหาเมฆ ร, ร้องเหมือนลาไม่โปรยฝนลงมาแม้แต่หยดเดียวในเวลานั้น ฝนขาดหายไปเลยจริงอยู่พระดำรัดนี้พระผู้มีพระภาคทรงหมายถึงเนื้อความนั้นตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายสมัยที่ฝนไม่ตกลงมาตลอดหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีหลายแสนปีมีอยู่สัตว์ผู้อาศัยฝนเลี้ยงชีพและพวกเทวดาผู้เข้าไปอาศัยดอกไม้และผลไม้เลี้ยงชีพสิ้นชีวิตแล้ว ย่อมไปเกิดในพรหมโลกเมื่อเวลาผ่านไปนานเข้าอย่างนี้น้ำในที่นั้นๆย่อมเหือดแห้งไปลําดับต่อมาปลาและเต่าก็ดีสัตว์นรกก็ดีทํากาละแล้วก็ไปบังเกิดในพรหมโลกอาจารย์พวกหนึ่งกล่าวว่าในจำนวนสัตว์เหล่านั้นพวกสัตว์นรกย่อมชิบหายไป พร้อมกับความปรากฏขึ้นแห่งพระอาทิตย์ดวงที่เจ็ดมีคำถามสอดเข้ามาว่าสัตว์โลกผู้ไม่ได้ฌานจะไปบังเกิดในพรหมโลกไม่ได้ก็บรรดาสัตว์เหล่านี้บางพวกก็ร้านแค้นอดอยากเพราะข้าวแพงบางพวกก็ไม่ควรเพื่อบรรลุฌานเพียงนี้แล้วสัตว์เหล่านั้นจะไปบังเกิดในพรหมโลกนั้นได้อย่างไร ตอบว่าเกิดได้ด้วยอำนาจฌานที่ตนได้ไว้แล้วในเทวโลกจริงอยู่ในการนั้นพวกเทวดาชั้นกามาวจรกลุ่มที่ชื่อว่าโลกะพยูหะแปล ว, ว่ากระบวนการกู้โลกทราบว่าโดยล่วงไปได้แสนปีความสิ้นกับจักมีดังนี้และปล่อยเสียรไม่โพกผ้าสยายผมไม่กล้าตกแต่งร้องไห้จนน้ำตานองหน้า เอามือเช็ดน้ำตานุ่งผ้าสีแดงทรงเพศแปลกประหาดยิ่งหนักเที่ยวร้องบอกไปในถิ่นมนุษย์อย่างนี้ว่าชาวเราเอย๋ยจากนี้ล่วงไปแสนปีกลับจากสิ้นไปโลกนี้จากฉิบหายน้ำในทะเลหลวงก็จักแห้งและมหาปฏิพภภีนี้ทั้งคุนเขาซิเนรุก็จักถูกไฟไหม้พินาศไปหมดความพินาศจะเกิดมีจนกระทั่งพรหมโลกชาวเราเอย๋ย พวกท่านจงเจริญเมตตาจงเจริญกรุณาจงเจริญมุทิตาจงเจริญอุเบกขาจงบำรุงมารดาจงบำรุงบิดาและจงเป็นผู้อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองให้เป็นประจำเถิดพวกมนุษย์และภูมิเทวดาโดยส่วนมากที่ได้ยินคาเตือนของเทวดาเหล่านั้นแล้วเกิดความสลดใจเป็นอย่างมากมีจิตเอ็นดูต่อกันและกัน พากันทำบุญมีการเจริญเมตตาเป็นต้นพอสิ้นชีพก็ได้ไปเกิดในเทวโลกบริโภคสุดทาโพธอันเป็นทิพย์ในเทวโลกนั้นแล้วทำการบริกรรมวายกสินมีโอกาสได้ฌานส่วนพวกสัตว์อื่นจากนั้นคือพวกอบายไปเกิดในเทวโลกได้ด้วยอปราปริยเวทนียกรรมตามธรรมดาแล้วสัตว์ผู้ท่องเที่ยวไปในสงสาร จะเว้นขาดจากอัปาราภริยะเวทนิยกรรมย่อมไม่มีถึงสัตว์เหล่านั้นก็ย่อมมีโอกาสที่จะได้ฌานในเทวโลกนั้นๆเหมือนกันสัตว์ทั้งหมดย่อมไปเกิดในพรหมโลกได้โดยอำนาจฌานที่ได้แล้วในเทวโลกด้วยประการชนนี้สำหรับคำว่าอัปาราภริยเวทนิยกรรมอัประบวกอปปาริยะ คืออื่นอีกที่หลังต่อมาเวทนิยอันบุคคลพึงเสวยกรรมมะเจตนาซึ่งเป็นผู้กระทาอปปราภริยะเวทนิยกรรมกรรมอันบุคคลพึงเสวยในภพสืบต่อๆไปหมายถึงกรรมที่ให้ผลในชาติสืบต่อตอไปจากชาติหน้าคือตั้งแต่ชาติที่สามจากชาติปัจจุบันที่ทำกรรมเป็นต้นไป ซึ่งได้แก่เจตนาเจตสิกที่เกิดกับออกุศลจิตหรืออกุศลจิตที่ทำกิจชาวนะในขณะที่สองถึงขณะที่หรวมห้าขณะเมื่อชาวนะวิถีจิตเกิดขึ้นหลายวาระจนสำเร็จเป็นกุศลกรรมแล้วก็จะเก็บสะสมสืบต่อไปในจิตดวงต่อๆไปรอวันที่จะให้ผลเมื่อมีปัจจัยถึงพร้อม เจตนาในชวนาจิตขณะที่หนึ่งของทุกวาระจะให้ผลในชาติปัจจุบันถ้าไม่มีโอกาสให้ผลก็จะเป็นอโหสิกรรมคือไม่ให้ผลอีกต่อไปเจตนาในชวนาจิตดวงที่เจ็ดของทุกวาระดวงใดดวงหนึ่งที่ได้โอกาสเป็นชนกกรรมให้ผลนำปฏิสนธิในชาติหน้าคือชาติที่สองจากชาติที่ทำกรรมถ้าไม่มีโอกาสให้ผล ก็เป็นอโหสิกรรมเช่นกันแต่เจตนาในชาวนะจิตขณะที่สองถึงหจะตามให้ผลตั้งแต่ชาติที่สามเป็นต้นไปเมื่อได้โอกาสให้ผลเมื่อไหร่ก็จะตามให้ผลทั้งเป็นชนกกรรมนำปฏิสนธิและให้ผลในประวัติการด้วยถ้ายังไม่ให้ผลตราบใดจะไม่มีการเป็นอโหสิกรรมจนกว่าจะถึงการปรินิพาน หมายเหตุผู้อ่านสำหรับหัวข้อนี้ที่ว่าสัตว์นรกสุดท้ายแล้วก็จะได้ไปบังเกิดในเทวโลกข้อนี้อธิบายง่ายๆก็คือคนเราไม่ว่าจะชั่วช้าแค่ไหนตกนรกหมกไหมไปแล้วแต่ในที่สุดกรรมนั้นก็ต้องสิ้นผลอาจารย์พรรัตนสุวรรณผู้เชี่ยวชาญพระไตรปิฎกอีกท่านหนึ่งก็กล่าวไว้ว่าไม่มีสัตว์ใดพ้นจากกระแสพระนิพพานเพียงแต่ว่า จะใช้เวลายาวนานแค่ไหนเท่านั้นเองการทำบาปของคนบางพวกก็เพื่อจะได้ไปสัมผัสกับนรกและความทุกข์จิตที่ทุกข์ในตอนแรกๆก็จะโทษสิ่งอื่นแต่เมื่อได้สัมผัสทุกข์ไปนานๆก็จะเริ่มรู้สึกว่าต้องหาทางดับทุกข์และจิตที่ปรารถนาทางดับทุกข์นั่นเองจึงเริ่มคิดจะทำดีอยากแก้ตัวสะสมไว มันเป็นเรื่องธรรมดานะครับสัตว์ทั้งหลายย่อมรักชีวิตย่อมรักสุขเกลียดทุกข์ดังนั้นเมื่อต้องทนทุกยาวนานก็จะเริ่มรู้ตัวและพยายามหาสิ่งที่เป็นสุขให้กับตัวเองให้ดีที่สุดการที่สัตว์นรกทั้งหลายพ้นจากสภาวะได้ไปเกิดในเทวโลกจึงไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับอันหนึ่ง นับตั้งแต่ฝนไม่ตกลงมาโดยเวลาที่ล่วงไปอันยาวนานพระอาทิตย์ดวงที่สองก็เกิดขึ้นสมดังพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายสมัยนั้นมีอยู่ดังนี้เป็นต้นนักปราดค ว, วรสวดสัตตสุริยสูตรประกอบให้พิสดารเถิดก็แลเมื่อพระอาทิตย์ดวงที่สองนั้นปรากฏขึ้นแล้ว การกาหนดว่ากลางคืนหรือกลางวันก็มิได้รู้กันเลยพระอาทิตย์ดวงหนึ่งโผล่ขึ้นดวงหนึ่งก็ตกโลกจึงมิได้ขาดจากแสงแผดเผาแห่งพระอาทิตย์เลยก็ในพระอาทิตย์ปกติย่อมมีสุริยะเทพบุตรชั้นใดในพระอาทิตย์ที่ทำกับให้พีนาฏไม่มีเหมือนอย่างนั้นในพระอาทิตย์สองดวงนั้นเมื่อพระอาทิตย์ปกติเป็นไปอยู่ เมฆ ก, ก็ดีเปลวควันก็ดีย่อมลอยไปในอากาศครั้นพระอาทิตย์ที่ทำกับให้พี่นาฏเป็นไปท้องฟ้าปราศจากเมฆและหมอกใสไม่มัวดุดวงแว่นสองหน้าเวนแม่น้ำห้าสายคือคงคายามุนาสารภูอจิราวดีมหีสลาวน้ำในแม่น้ำที่เหลือมีแม่น้ำน้อยเป็นต้นย่อมเหือดแห้งไป มาเหตุผู้อ่านข้อนี้ท่านน่าจะอธิบายสำหรับคนอินเดียในยุคนั้นนะครับจึงไม่ได้พูดถึงแม่น้ำที่ประเทศอื่นต่อจากนั้นโดยล่วงไปเป็นเวลานานแสนนานพระอาทิตย์ดวงที่สามจึงเกิดผุดขึ้นเพราะเหตุที่ปรากฏแล้วเท่านั้นถึงแม่น้ำใหญ่ก็เหือดแห้งไปได้จากนั้นผ่านไปเป็นเวลานานพระอาทิตย์ดวงที่สี่จึงผุดขึ้น เพราะเหตุที่ปรากฏแล้วนั้นสะใหญ่เจ็ดสะเหล่านี้คือสะสีหาปาตนะหนึ่งังสปาตนะหนึ่งกันธมูลตะกะหนึ่งรัฐการัฐหาหนึ่งอโนตะตะทะหาหนึ่งสันทันตะทะหาหนึ่งกุลาละทะหาหนึ่งซึ่งเป็นต้นแม่น้ำมหานาทีในป่าหิมพานก็ย่อมเหือดแห้งผ่านจากนั้นไปเป็นเวลานาน พระอาทิตย์ดวงที่ห้าก็ผุดโผล่ขึ้นพอโผล่ขึ้นแล้วน้ำในมหาสมุทย่อมไม่มีเหลือเลยแม้แต่เพียงจะเปียกข้อมือโดยล่วงไปแห่งกาลนานยืดยาวแต่นั้นพระอาทิตย์ดวงที่หกก็ผุดโผล่ขึ้นแล้วจักรวาลทั้งสิ้นก็เกิดเป็นกลุ่มควันตลบไปหมดอย่างคืออาโปธาต ก็หมดไปเพราะถูกควันลมก็จักรวาล น, นี้เป็นฉันใดแม้จักรวาลตั้งแสนโกดก็เป็นฉันนั้นจากเวลานั้นผ่านไปเป็นเวลายาวนานพระอาทิตย์ดวงที่เจ็ดก็ผุดโผล่ขึ้นพอผุดโผล่ขึ้นแล้วจักรวาลทั้งสิ้นก็มีเปลเวลเป็นอันเดียวกันพร้อมทั้งแสนโกดจักรวาล ยอดเขาสินเนรุอันมีขนาดประมาณตั้งหนึ่งร้อยยชดเป็นต้นก็พังพินาศอันตรธานไปในอากาศนั่นเองเปลวไฟก็ลุกขึ้นติดไหมชั้นจาตุมหาราชพอไหมวิมานทองวิมานรัตนะวิมานแก้วมณีในชั้นจาตุมหาราชแล้วก็ไม่ติดชั้นดาวดึงโดยอุบายนี้แหละจึงติดไหมตลอดไปถึงภูมิปถมชาญ ไม่พรหมโลกทั้งสามในภูมิปฐมชาตนั้นแล้วลุกขึ้นไปติดอภัสระพรมอยู่เปเลวไฟนั้นยังมีเชื้ออยู่แม้ประมาณเท่าอนูหนึ่งเพียงใดก็ไม่ดับไปเพียงนั้นก็เพราะเชื้อทุกอย่างสิ้นสูนย่อมดับไปไม่เหลือจนชั้นเท่าฐานดุจเปเลวไฟไม่เนยใสยและน้ำมันฉะนั้นอากาศเบื้องบนพร้อมกับอากาศเบื้องล่าง ได้เมื่อดมิรสนิทไปหมดต่อจากนั้นล่วงไปเป็นเวลานานมีมหาเมฆตั้งขึ้นอย่างฝนละเอียดให้ตกในชั้นแรกหลังอยู่ทางท่อธารมีประมาณเท่าก้านบัวไม้เท้าสากและประมาณเท่าลำตาลเป็นต้นโดยลำดับทำที่ที่ไฟไหม้ทั้งหมดในแสนโกฏจักรวานให้เต็มแล้วจึงหายไป ลมพัดอุ้มน้ํานั้นไว้ข้างล่างและข้างขวางจนทําให้น้ํานั้นงวดเป็นแท่งน้ํานั้นกลับเป็นก้อนคล้ายกับหยาดน้ําบนใบบัวฉชนั้นหากจะถามว่าลมจะทำกระแสน้ําเป็นอันมากเห็นปานนั้นให้กลายเป็นก้อนเป็นแท่งได้อย่างไรตอบว่าเพราะน้ําเปิดช่องให้โอกาสคือน้ํานั้น ย่อมเปิดช่องให้โอกาสแก่ลมนั้นในที่นั้นนั้นน้ำนั้นถูกลมรวบรวมทำให้เป็นก้อนย่อมงวดลงมาในเบื้องต่ำโดยลำดับเมื่อน้ำงวดลงงวดลงพรหมโลกก็ปรากฏขึ้นในที่ที่เคยเป็นพรหมโลกและเทวโลกทั้งหลายก็เกิดปรากฏขึ้นในที่ที่เคยเป็นเทวโลกกามาวจรสี่ชั้นเบื้องต้น ก็เมื่อน้ำนั้นงวดลงมาถึงพื้นแผ่นดินที่เคยมีทีแรกลมมีกำลังย่อมเกิดขึ้นลมเหล่านั้นย่อมปิดน้ำนั้นทำมิให้ไหลบ่าออกไปได้ดุดน้ำในกระบอกรองน้ำที่อุดช่องอากาศไว้ฉะนั้นน้ำมีรสอร่อยถึงความสิ้นเหือดไปทําให้เกิดงวนดินเป็นฝาขึ้นงวนดินนั้นถึงพร้อมด้วยสีกลิ่นและรส เช่นเดียวกับหน้าข้าวปลายาดที่ไม่ใช้น้ําธรรมดาหุงคือใช้น้ํำนมหุงฉะนั้นก็ในเวลานั้นสัตว์ที่บังเกิดขึ้นครั้งก่อนในอภัสราโภมโลกเคลื่อนจากโภมโลกนั้นเพราะสิ้นอายุหรือเพราะหมดบุญย่อมเป็นสัตว์เกิดผุดขึ้นในโลกนี้สัตว์เหล่านั้นเป็นผู้มีแสงอยู่ในตัวท่องเที่ยวไปได้ในท้องฟ้า สัตว์เหล่านั้นได้ลิ้มรสง้วนดินนั้นด้วยถูกตันหาครอบงำแล้วจึงพยายามลงมือปั้นกินเป็นคำํคำๆดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในอคันยสูตรแลครั้นต่อมารัศมีในตัวของสัตว์เหล่านั้นก็อันตรธานสูญหายไปเกิดความมืดมิดขึ้นแทนพวกสัตว์นั้นเห็นความมืดมิดเข้าก็หวาดกลัวแต่นั้น ดวงอาทิตย์ใหญ่ประมาณได้ห้าสิบยอดบริบูรณ์ก็ปรากฏขึ้นทําความกลัวของสัตว์เหล่านั้นให้หายไปกลับทําให้เกิดความกล้าหาญองอาจสัตว์เหล่านั้นเห็นดวงอาทิตย์นั้นแล้วยินดีร่าเริงว่าพวกเราได้แสงสว่างแล้วดังนี้จึงปรึกษาหารือกันว่าดวงวิเศษนั้นกําจัดความกลัวของพวกเราให้สูญหายไปสิน้น กลับทำให้เกิดความกล้าหาญขึ้นแทนที่เพราะเหตุนั้นดวงวิเศษนี้จึงเป็นสุริยะคือบรรดาให้เกิดความกล้าหาญดังนี้จึงลงมติขนานนามดวงวิเศษนั้นว่าพระสุริยะคือพระอาทิตย์หมายเหตุผู้อ่านข้อนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับการเรียกพระอาทิตย์ว่าพระสุริยะนั้นก็เป็นการอธิบาย สำหรับคนอินเดียในยุคนั้นได้เข้าใจครั้นต่อมาเมื่อพระอาทิตย์ทำหน้าที่ส่องแสงสว่างในการกลางวันแล้วก็อาจสดงโคตรไปสัตว์ทั้งหลายก็พากันกลัวอีกว่าบัดนี้แสงสว่างที่พวกเราเคยได้รับก็กลับหายไปเสอีกแล้วสัตว์เหล่านั้นจึงรำพึงอย่างนี้ว่าถ้าพวกเราได้แสงสว่างอย่างอื่นก็จะพึงเป็นการดี ดวงจันทร์ใหญ่ประมาณได้49กโยธก็ปรากฏขึ้นดูเหมือนจะรู้ใจของสัตว์เหล่านั้นพอสัตว์เหล่านั้นเห็นดวงจันทร์นั้นแล้วก็ยินดีปรีดายิ่งนักปรึกษากันว่าดวงวิเศษนี้ปรากฏขึ้นคล้ายๆจะทราบความพอใจคือชันทะของพวกเราเหตุนั้นดวงวิเศษนี้จึงเป็นดวงให้เกิดความพอใจดังนี้จึงลงมติตั้งชื่อดวงวิเศษนั้นว่า พระจันทร์เมื่อพระจันทร์และพระอาทิตย์ปรากฏขึ้นดังนี้แล้วดวงดาวนักสัตว์ก็ปรากฏขึ้นตามกันมานับแต่ น, นั้นมากลางคืนและกลางวันก็ปรากฏลำดับต่อมาก็ปรากฏเป็นเดือนครึ่งเดือนฤดูและปีเขาสิเนรุเขาจักรวาลและเขาหิมพานปรากฏขึ้นในวันเดียวกันกับที่พระจันทร์และพระอาทิตย์ปรากฏขึ้นนั่นแล ก็แหลผภูเขาเหล่านั้นปรากฏขึ้นไม่ก่อนไม่หลังกันในวันขึ้นสิบห้า่เดือนสี่ปรากฏขึ้นอย่างไรคือเปรียบเหมือนเมื่อข้าวฟ่างที่พ่อครัวกำลังต้มฟองยอมผุดขึ้นพร้อมๆกันทีเดียวแต่บาง่วนก็ปูดขึ้นบางแห่งก็เป็นบุ๋มๆ บ, บางแห่งก็ราเปรียบชั้นใดในสถานที่สูงๆก็เป็นภูเขา ในสถานที่ต่ำๆก็เป็นทะเลในสถานที่ราบเรียบก็เป็นทวีปชั้นนั้นครั้นต่อมาเมื่อสัตว์เหล่านั้นบริโภคง้วนดินนั้นเข้าไปแล้วทำให้บางพวกมีผิวพันธุ์งดงามบางพวกก็มีผิวพันธุ์ดำหยาบไม่งามในสองพวกนันกนก้นพวกที่มีผิวพันธุ์งามก็ดูหมิ่นพวกที่มีผิวพันธุ์ไม่งาม เพราะการดูหมิ่นของพวกที่มีผิวพันธุ์งดงามเหล่านั้นเป็นต้นเหตุแผ่นดินที่เคยมีรสอร่อยแต่เดิมก็กลับอันตรธานหายไปสิ้นภาคพื้นก็ปรากฏกลายเป็นสะเก็ดดินขึ้นแทนที่ต่อมาแม้สะเก็ดดินนั้นก็อันตรธานหายไปอีกเพราะการดูหมิ่นกันนั้นอีกนั่นแหละต่อมาเครือดินก็เกิดขึ้นแทนเพราะการดูหมิ่นเหยียดย้มกันอีกเหมือนกัน แม้เครือดินก็ยังตั้งอยู่ไม่ได้คืออันตรธานหายไปอีกข้าวสาลีที่ไม่ต้องหุงด้วยไฟฟืนเป็นมเมล็ดข้าวสารที่ไม่มีรำไม่มีแกลบมีกลิ่นหอมย่อมเกิดขึ้นเองต่อมาภาชนะก็เกิดแก่สัตว์เหล่านั้นสัตว์เหล่านั้นใส่ข้าวสาลีลงในภาชนะแล้วตั้งไว้บนหลังแผ่นหินเปลวไฟก็ลุกขึ้นเองแล้วหุงข้าวนั้นจนสุก ข้าวสาลีนั้นเป็นข้าวสุกสวยเช่นเดียวกับข้าวดอกมะลิข้าวสุกนั้นไม่ต้องประสมด้วยแกงและกับสัตว์เหล่านั้นต้องการจะบริโภครสอย่างใดก็เป็นรสอย่างนั้นดังใจหมายเมื่อสัตว์เหล่านั้นกลืนกินอาหารหยาบนั้นเข้าไปจำเดิมแต่นั้นมูดคือปัสวะและกะรีสะคืออุจจาระย่อมเกิดครั้งคราวนี้ ปากแผลก็แตกออกเป็นทวารเก้าคือในตาสองหูสองจมูกสองปากหนึ่งทวารหนักหนึ่งทวารเบาหนึ่งรวมเป็นทวารเก้าเพื่อให้สัตว์เหล่านั้นได้ถ่ายมูดและกฤหัสถออกมาความเป็นชายก็ปรากฏแก่ชายความเป็นหญิงก็ปรากฏแม้แก่หญิงเล่ากันว่าในเวลานั้น หิงเพ่งเลงดูชายเกินขอบเขตและชายก็เพ่งเลงดูหญิงจนเกินขอบเขตอาศัยการเพ่งเลงของชายและหญิงเหล่านั้นเป็นต้นเหตุความต้องการอันเร่าร้อนในกามารมย่อมเกิดขึ้นแต่นั้นจึงคบคู่เสพสุขอยู่ด้วยกันชนเหล่านั้นถูกพวกบินยูชนตำหนิตีเตียนขัดขวางอยู่เพราะการเสพอสัตธรรมคือการมีเพศสัมพันธ์เป็นต้นเหตุ จึงได้ปลูกสร้างเรือนเพื่อจะปกปิดอสัตยธรรมนั้นชนเหล่านั้นอยู่ครองเรือนต่อมาก็ได้เอาเยี่ยงอย่างสัตว์ผู้มีสันดานเกียรตคร้านผู้หนึ่งเข้าจึงได้พากันทำการสั่งสมทัพพสัมภาระต่างๆไว้ตั้งแต่นั้นมาทั้งรามทั้งแกลบก็เกิดหุ้ ม, มเมล็ดเข้าสารแม้ที่ที่ตนเกี่ยวแล้วก็ไม่งอกขึ้นอีก พวกเขาจึงประชุมปรับทุกกันว่าธรรมะอัลลามกเกิดปรากฏขึ้นในหมู่สัตว์เสียแล้วละหนอเมื่อก่อนพวกเราคิดอยากได้อะไรก็สำเร็จดังใจคิดดังนี้นักศึกษาพึงทำข้อความนี้ให้พิสดารตามเนื้อความที่ท่านได้กล่าวไว้แล้วในอักคันยสูตรเถิดตอนนั้นมาพวกเขาจึงได้ปักปันเขตแดนกันจาเนียนการผ่านมา ยังมีสัตว์ผู้หนึ่งได้ถือเอาส่วนของผู้อื่นโดยที่เจ้าของมิได้ให้ชนทั้งหลายจึงด่าว่าติดเตียนบุรุษนั้นสองครั้งครั้งที่สาจึงตัดสินถ้อยประหารด้วยฝ่ามือก้อนดินและท่อนไม้เป็นต้นเมื่อการลักทรัพย์การทะเลาะการพูดเท็จและการจับท่อนไม้ขั้นลงอาชญาเกิดขึ้นดังบรรยายมานี้ชนเหล่านั้นจึงประชุมคิดกันว่า ถ้าการายเราพึงสมมุติสัตว์ผู้หนึ่งบรรดาพวกเราซึ่งเป็นผู้ที่สามารถข่มคนที่ควรข่มได้ตำหนิคนที่ควรตำหนิได้ขับไล่คนที่ควรขับไล่ได้โดยชอบธรรมและเราจะแบ่งส่วนแห่งข้าวสาลีให้แก่เขาผู้นั้น <c oughs> ก็เมื่อสัตว์ทั้งหลายทําการนัดหมายกันอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคพระองค์นี้แหละเป็นพระโพธิสัตว์ด้กับนี้เป็นครั้งแรก เป็นผู้มีรูปร่างสง่าผ่าเผยหน้าดูมีศักย์ใหญ่ยิ่งเต็มเปี่ยมพร้อมด้วยความรู้ความสามารถทำการปราบลับหลอบได้กำลังเด่นอยู่ในหมูสัตว์เหล่านั้นโดยสมัยนั้นเขาทั้งหลายจึงเข้าไปหาพระโพธิสัตว์นั้นอ้อนวอนให้ท่านรับตำแหน่งแล้วจึงสมมุติคือแต่งตั้งขึ้นพระโพธิสัตว์นั้นปรากฏโดยพระนามมีสามนาม คือทรงพระนามว่ามหาสมมุติเพราะเป็นผู้ที่มหาชนนั้นสมมุติขึ้นแล้วทรงพระนามว่ากษัตริย์เพราะเป็นใหญ่แห่งการเกษตรคืนนาทั้งหลายและทรงพระนามว่าราชาเพราะยังใจผู้อื่นให้ชื่นชมยินดีปกครองโดยชอบธรรมจริงอยู่ตำแหน่งใดเป็นตำแหน่งที่อัศจรรย์มีอยู่ในโลก พระโพธิสัตว์ย่อมเป็นคนแรกที่จะได้รับตำแหน่งนั้นและครานวงก์กษัตริย์ยกพระโพธิสัตว์เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งขึ้นอย่างนั้นแล้วแม้วันณะทั้งหลายมีวันณพระรามเป็นต้นก็พากันก่อตั้งขึ้นโดยลำดับหมายเหตุผู้อ่านอย่าลืมนะครับว่าการเล่าเรื่องในพระไตรปิฎกและคำภี์ที่สืบทอดต่อกันมานั้น เป็นการเล่าในสมัยพุทธกาลดังนั้นวิธีการสรับและอื่นๆจึงเป็นการนำชื่อและสิ่งที่คนในสมัยนั้นประเทศนั้นยุคนั้นมีอยู่และเข้าใจได้ง่ายมาอธิบายการเปรียบเทียบพระจันทร์พระอาทิตย์ที่มีขนาดต่างกันแค่หนึ่งโยชนั้นสําหรับท่านที่ขี้สงสัยก็อาจจะผ่านไม่เชื่อในรายละเอียดที่เหลือทั้งหมดแต่ลองพิจารณาดูนะครับว่า ท่านจะอธิบายให้คนสมัยก่อนเข้าใจละเอียดมากเกินไปทาไมขนาดของพระอาจารย์พระอาทิตย์น่าจะเป็นการเปรียบเทียบด้วยตาเปล่าที่คนมองเห็นจากโลกนี้นะครับเพราะเป็นสิ่งที่คนฟังคานไม่ได้เพราะสามารถรับรู้ได้มองเห็นได้ด้วยตาตนเองแต่ถ้าบอกขนาดที่แท้จริงเหมือนที่วิทยาศาสตร์สมัยนี้รู้จักก็คงจะมีคาถามไม่จบสิ้นว่ามีขนาดใหญ่ขนาดนั้นจริงหรือลัพิสูจน์ได้ยังไง แล้วก็จะถามอะไรๆต่อมาจนไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาที่สมควรจะรู้เพื่อการบรรลุธรรมได้นะครับจึงขอฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยสำหรับท่านที่สนใจศึกษากับพี่นาดด้วยน้ำส่วนในสมัยที่กับพี่นาดไปด้วยน้ำคำว่าแต่ต้นทีเดียว มหาเมฆยังกลับให้พินาตตั้งขึ้นดังนี้นักศึกษาพึงให้พิสดารตามไนายะที่กล่าวไว้ในตอนก่อนแต่ส่วนที่แปลกกันมีดังต่อไปนี้คือเหมือนอย่างว่าในที่นั้นดวงอาทิตย์ที่สองปรากฏขึ้นในที่นี้ต้องว่ามหาเมฆน้ำกรดยังกลับให้พินาตตั้งขึ้นฝนน้ำกรดนั้นชั้นต้นก็หลังฝนเมล็ดละเอียด ตกเต็มจักรวาลทั้งแสนโกรดด้วยท่อทาราใหญ่โดยลำดับแผ่นดินและภูเขาเป็นต้นที่ฝนน้ํากรดตกถูกแล้วย่อมละลายน้ํากรดนั้นถึงจะถูกลมพัดก็ทานไว้ได้โดยรอบด้านน้ํากรดท่วมตั้งแต่แผ่นดินจนถึงพรหมโลกชั้นทุติยชาณภูมทำพรหมโลกสามชั้นให้ละลายในที่นั้นแล้ว ดำรงอยู่จรดสุภกินหาพรหมน้ำโกรธนั้นสิ่งที่นับว่าเป็นสังขารแม้เพียงอนูหนึ่งยังมีอยู่ตราบใดก็ยังไม่ระงับไปตราบนั้นครั้นท่วมสังขารทุกอย่างให้ไปตามนำหมดแล้วก็งวดถึงความสูญหายไปโดยพลันอากาศเบื้องบนกับเบื้องล่างได้มืดมิดเป็นอันเดียวกัน คำทั้งหมดเช่นเดียวกับคำที่ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้แล้วโลกนับอภัสรพระพรมโลกเป็นต้นเกิดปรากฏขึ้นต่อมาสัตว์เคลื่อนจากสุปกินหพรมเกิดขึ้นในอภัสรพระมเป็นต้นในอสงไขยทั้งสี่เหล่านั้นตั้งแต่มหาเมฆยังกลับให้พี่นาชจนถึงหมดน้ำกรดยังกลับให้พินาถนี้จัดเป็นอสงไขยที่หนึ่ง ตั้งแต่น้ำขาดศูนย์จนถึงมหาเมฆตกลงเต็มที่นี้เป็นอสงไขยที่สองตั้งแต่มหาเมฆตกเต็มที่จนถึงพระจันทร์และพระอาทิตย์ปรากฏนี้เป็นอสงไขยที่สามตั้งแต่พระจันทร์และพระอาทิตย์ปรากฏมาจนถึงมหาเมฆยังกลับให้พิ่นาใหม่อีกนี้เป็นอสงไขยที่สี่ อสมไขทั้งสี่นี้จัดเป็นมหากับหนึ่งความพินาศ ด, ด้วยน้ำและการตั้งขึ้นใหม่นักปราดพึงทราบดังกล่าวมานี้เถิดกับพินาศ ด, ด้วยลมในสมัยที่กับพินาศ ด, ด้วยลมคำว่าชั้นต้นมหาเมฆยังกับให้พินาศตั้งขึ้นดังนี้ บัณดิตพึงให้พิสดารตามในยะที่ได้กล่าวไว้แล้วในตอนก่อนแล่วนความแปลกกันมีดังต่อไปนี้คือเหมือนอย่างในที่นั้นมีพระอาทิตย์ดวงที่สองปรากฏขึ้นในที่นี้ลมตั้งขึ้นเพื่ อ, อยังกลับให้พินาศนั่นเองลมนั้นชั้นต้นก็หอบเอาธุลีหยับยาบให้ตั้งขึ้น ต่อมาก็หอบเอาทุลีละเอียดให้ตั้งขึ้นต่อมาก็พัดหอบเอาทรายละเอียดทรายหยาบก้อนกรวดก้อนหินเป็นต้นตราบเท่าจนถึงหอบพัดเอาก้อนหินเท่าเท่าเรือนยอดและต้นไม้ใหญ่ที่เกิดอยู่ในที่สูงสูงต่ำต่ำให้ตั้งขึ้นหินและต้นไม้เหล่านั้นลอยจากแผ่นดินไปสู่กลางหาวไม่กลับตกลงอีกแหลกละเอียดชิบหายไปในอากาศนั่นเอง จำเนียนการนานมาลมก่อตัวขึ้นภายใต้แผ่นดินใหญ่แล้วทวีกำลังแรงขึ้นเป็นลำดับจนถึงพลิกเอาแผ่นดินทำให้มีรากในเบื้องบนแล้วพัดขึ้นไปคว้างอยู่บนอากาศที่ส่วนหนึ่งหนึ่งแห่งแผ่นดินมีประมาณหนึ่งรยยดก็มีประมาณสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยหรือห้าร้อยยดก็มีแตกออกแล้วถูกกำลังลมพัดหอบขึ้นไป แล้วแหลกละเอียดเป็นผุยผงหายไปในอากาศนั่นเองภูเขาจักรวาลก็ดีภูเขาสิเนรุก็ดีปล่อยถูกลมพัดซัดไปในอากาศด้วยภูเขาทั้งสองนั้นกระทบกันแหลกละเอียดเป็นผุยผงพินาศไปลมทำวิมานแห่งกุ ม, มะกะเทวดาและวิมานแห่งอากาศสันทะเทวดา ให้วอดไปโดยทานองนี้แล้วทำการมาวจรเทวโลกอกชั้นให้พีนาฏแล้วยังจักรวาลทั้งแสนโกธให้ย่อยยับอยู่ในการนั้นภูเขาจักรวาลกับภูเขาจักรวาลภูเขาหิ ม, มะพานกับภูเขาหิ ม, มะพานภูเขาสินเนรุกับภูเขาสินเนรุกระทบกันและกันจนแหลกเป็นผุยผง ลมพัดเริ่มต้นแต่แผ่นดินไปจนถึงพรหมตติยะชาณภูมิลมทำลายโพรหมโลกสามชั้นในตติยะชาณภูมินั้นให้พินาศแล้วไปหยุดจรสพรหมโลกชั้นเวหภพละลมนั้นทำสิ่งที่นับว่าเป็นสังขารทั้งปวงให้สลายไปอย่างนี้แล้วตัวเองก็สลายไปด้วยอากาศเบื้องบนกับทั้งอากาศเบื้องล่างก็มืดมิดเป็นอันเดียวกันแล คำที่เหลือทั้งหมดก็เป็นเช่นเดียวกับที่ได้กล่าวไว้แล้วในอธิการที่กลับพี่นาฏไปด้วยลมนี้โลกตั้งแต่สุภกินหะพรมโลกเป็นต้นยังปรากฏอยู่ฝ่ายสัตว์ทั้งหลายเคลื่อนจากเวหภร พ, พรหมแล้วเกิดฐานะแห่งสุภกินหพโรมเป็นต้นอสงไขสี ในอสงไขทั้งสี่นั้นนับตั้งแต่มหาเมฆทำกับให้พินาถจนถึงลมทำกับให้พินาศสูสิ้นนี้เป็นอสงไขหนึ่งตั้งแต่ขาดลมมาจนถึงมหาม ennes ennes ennes ennes itti, เมฆเต็มทีมมน่นี้เป็นอสงงไขที่สองตั้งแต่มหาเมฆตกลงเต็มที่มาจนถึงพระจันทร์และพระอาทิตย์ปรากฏนี้เป็นอสงไขที่สามตั้งแต่พระจันทร์และพระอาทิตย์ปรากฏ มาจนถึงมหาเมฆทำกับให้พินาศใหม่อีกนี้เป็นอสงไขยที่สี่อสงไขยทั้งสี่เหล่านี้จัดเป็นมหากับหนึ่งการพินาศด้วยลมและการตั้งขึ้นใหม่นักศึกษาพึงทราบดังบรรยายมาชนนี้ถามว่าโลกพินาศไปอย่างนี้เพราะเหตุไรตอบว่า เพราะเหตุแห่งอากุศนลมูลคือเมื่ออกุศลมูลหนาแน่นขึ้นแล้วโลกยอมพินาศไปอย่างนี้แลก็โลกนั้นแลเมื่อราคะมีนาแน่นกว่าย่อมพินาศด้วยไฟเมื่อโทสะหนาแน่นกว่าย่อมพินาศด้วยน้ําแต่อาจารย์บางพวกกล่าวว่าเมื่อโทสะหนาแน่นกว่าโลกยอมพินาศด้วยไฟ เมื่อราคะหนาแน่นกว่าโลกยอมพินาศด้วยน้ำเมื่อโมหะหนาแน่นกว่าโลกยอมพินาศด้วยลม <c oughs> ก็เมื่อโลกพินาศด้วยอคุศลมูลเป็นเหตุอย่างนี้ยอมพินาศด้วยไฟเจ็ดครั้งติดติดกันไปครั้งที่แปดจึงพินาศด้วยน้ำพินาศด้วยไฟเจ็ดครั้งอีกครั้งที่แปดจึงพินาศด้วยน้ำอีก ตามนัยยะนี้เมื่อพินาศไปอยู่ในวาระที่8ดอย่างนี้พินาศ ด, ด้วยน้ำเจ็ดครั้งพินาศ ด, ด้วยไฟเจ็ครั้งอีกด้วยอาการพินาศเพียงเท่านี้จึงเป็น63ามกับล่วงไปแล้วในระหว่างนี้ลมได้โอกาสห้ามวาระที่พินาศ ด, ด้วยน้ำแม้ที่ถึงแล้วเสียได้กำจัดถึงสุภกินหาพรมซึ่งมีอายุ64กับบริบูรณ ยังโลกพินาศอยู่ภิกษุนึกตลอดกับแม้เมื่อจะถึงคันที่ตนเคยอาศัยในก่อนย่อมนึกได้กระทั่งถึงสังวัตตกับไม่น้อยวิวัตตกับไม่น้อยสังวัตวิวัตตกับไม่น้อยในบรรดากับเหล่านี้ที่มีอยู่นึกได้อย่างไรคือนึกโดยนัยยว่าเราเกิดแล้วในที่โน้นเป็นต้น ในบทมาติกาเหล่านั้นบทมาติกาว่าเราเกิดในที่โน้นคือเราได้เกิดในภพโน้นในกาเนิดหรือคติโน้นหรือวิญญาณที่ติดโน้นหรือสัตว์วาสโนนหรือหมู่สัตว์โนนในสังวัตกำบโนนข้อว่ามีชื่ออย่างนี้คือชื่อว่าติดสะหรือปุตสะข้อว่า มีโคดอย่างนี้คือเป็นกัจจายนะโคดหรือกัสปะโคดคำทั้งสองนี้ท่านกล่าวมุ่งถึงการระลึกถึงชื่อและโคดของตนในภพที่ล่วงไปแล้วของภิกษุนั้นก็ทว่าในเวลานั้นต้องการจะนึกถึงวันน่าสมบัติหรือการเลี้ยงชีพเศร้าหมองหรือประณีตสุขหรือทุกข์มากอายุน้อยหรือมากของตน ก็ยอมนึกถึงสิ่งนั้นได้เหมือนกันเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่ามีวันณะอย่างนี้จนถึงมีที่สุดแห่งอายุเพียงเท่านี้ก็ในคําเหล่านั้นคําว่ามีวันณะอย่างนี้คือมีผิวขาวหรือผิวคล้ำคําว่ามีอาหารอย่างนี้คือมีข้าวสาลีเนื้อและข้าวสุกเป็นอาหาร หรือว่ามีการบริโภคผลไม้เป็นอยู่คำว่าสวยสุขและทุกอย่างนี้คือสวยสุขและทุกทางกายและใจหรือที่มีชนิดเจือด้วยเหยื่อล่อและไม่มีเหยื่อล่อเป็นต้นโดยประการหลากหลายคำว่ามีที่สุดแห่งอายุเพียงเท่านี้คือมีที่สุดอายุประมาณร้อยปีหรือมีอายุตั้ง 84,000 พันกับเป็นที่สุดอย่างนี้ คำว่าเรานั้นเคลื่อนจากที่นั้นแล้วเกิดในที่โน้นคือเรานั้นเคลื่อนจากภพกําเนิดคติวิญญาณทิติสัตตาวาสหมู่สัตว์นั้นบังเกิดในภพกําเนิดคติวิญญาณทิติสัตตาวาสหรือหมู่สัตว์โน้นอีกคําว่าเราเกิดแม้ในที่นั้นคือต่อมาเราได้เกิดในภพกําเนิดคติ วิญญาณทิติสัตตาวาดหมู่สัตว์แม่นั้นอีกคำว่ามีชื่ออย่างนี้เป็นต้นมีนัยยะดังกล่าวแล้วนั่นแหละอีกอย่างหนึ่งเพราะเหตุคำที่ว่าเราเกิดในที่โน้นนี้เป็นการนึกได้ตามปรารถนาแห่งภิกษุผู้นึกขึ้นไปโดยลำดับคำว่าเราเคลื่อนจากที่นั้น ได้แก่การพิจารณาของภิกษุผู้นึกถอยกลับเหตุนั้นพึงทราบว่าคำว่าเราเกิดในที่โน้นนี้ท่านกล่าวหมายถึงที่เกิดของภิกษุนั้นอันรับรองการเกิดในที่นี้ว่าเกิดในที่นี้ส่วนคำว่าเราเกิดแม้ในที่นั้นเป็นต้นท่านกล่าวเพื่อแสดงการระลึกถึงชื่อละโคตเป็นต้น ในสถานที่บังเกิดในระหว่างแห่งอุบัตินี้ในที่นั้นคำว่าเรานั้นเคลื่อนจากที่นั้นแล้วบังเกิดในที่นี้คือเรานั้นเคลื่อนจากฐานะที่บังเกิดรองจากภพนั้นแล้วมาบังเกิดในสกุลกษัตริย์หรือในสกุลพราหมณ์ชื่น้นในภพนี้บทว่าอิติแปลว่าอย่างนี้ คำว่ามีอาการมีอุเทศคือชื่อว่ามีอุเทศด้วยสามารถแห่งชื่อละโคดชื่อว่ามีอาการด้วยสามารถแห่งวั น, นะเป็นต้นจริงอยู่สัตว์อันบุคคลย่อมแสดงว่าติดสะกัปสะดังนี้ด้วยชื่อละโคทย่อมปรากฏโดยไม่เหมือนกันว่าคลับหรือขาว ด้วยวั น, นะเป็นเหตุนั้นชื่อและโคดจึงชื่อว่าอุทเทศนอกจากนี้จึงชื่อว่าอาการคำว่านึกถึงปุเพสนิวาสมีอย่างต่างๆนี้มีเนื้อความชัดอยู่แล้วนั่นแหละจบปุบเพนิวาสานุสติยานกถา จุตูปปาตาญาณกถาเนื้อความในเรื่องความรู้ในจุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายนักศึกษาพึงทราบดังต่อไปนี้คำว่าเพื่อจุดตูปปาตาญาณคือเพื่อรู้การตายและการเกิดอธิบายว่าจุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายที่พระโยคียรู้ได้ด้วยญาณใด ก็น้อมนำจิตเข้าไปเพื่อญาณนั้นคือเพื่อทิพยะจากสุยานคำว่าน้อมนำจิตคือนำเข้าไปเฉพาะได้แก่นำบริกรรมจิตมุ่งเข้าไปคำว่านั้นคือภิกษุผู้มีการนำจิตมุ่งไปได้ทําแล้วนั้นก็ในคำว่าเป็นทิพเป็นต้นมีอธิบายว่า ชื่อว่าเป็นทิพเพราะเป็นเหมือนของทิพคือประสาทจักษุของพวกเทพเจ้าซึ่งเกิดขึ้นได้ด้วยอำนาจสุจริตกรรมมีได้เกลือกลัวด้วยดีเสมหะเลือดเป็นต้นสามารถจะรับอารมณ์แม้ในที่ไกลๆได้เพราะพ้นจากอุปกิเลสเป็นประสาทจักษุนั้นแม้ญาณจักษุนี้ของภิกษุนั้นบังเกิดได้ด้วยกำลังแห่งวิริยะภาวนา เช่นเดียวกับประสาทจักสุนั้นเหตุนั้นจึงชื่อว่าเป็นทิพเพราะเหมือนของทิพอันหนึ่งชื่อว่าเป็นทิพเพราะได้ด้วยอำนาจทิพภวิหารและเพราะตนได้อาศัยทิพะวิหารชื่อว่าทิพแม้เพราะเหตุที่สว่างสวยมากด้วยการกําหนดถือด้วยอาโลกักะสินชื่อเป็นทิพ แม้เพราะเหตุที่มีภูมิที่ไปได้มากเพราะเห็นรูปที่อยู่ในภายนอกฟ้ า, าเป็นต้นได้ชัดเจนข้อความนั้นทั้งหมดนักศึกษาพึงทราบตามแนวแห่งคมภีสัพพทศาสตร์นั้นเถิดย่างนั้นชื่อว่าจักษุเพราะอัฏฐาว่าเห็นอันหนึ่งชื่อว่าจักษุเพราะเป็นดังตาเหตุทําหน้าที่ของตา จากสุนั้นจัดว่าหมดจดเพราะเป็นเหตุแห่งทิฏฐิวิสุทธิด้วยการเห็นได้ทั้งจุดติทั้งอุบัติเพราะว่าผู้ใดเห็นแต่จุติอย่างเดียวไม่เห็นอุบัติผู้นั้นยอมยึดมัน่นอุเฉท ท, ทิฏฐิผู้ใดเห็นแต่อุบัติอย่างเดียวไม่เห็นจุติผู้นั้นยอมยึดมั่นสัตสตาทิฏฐิเพราะความเกิดปรากฏขึ้นแห่งสัตว์ใหม่ ผู้ไดเห็นทั้งสองอย่างผู้นั้นยอมลวงพ้นจากทิฏฐิสองอย่างนั้นเสียได้เหตุนั้นความเห็นของผู้นั้นจึงเป็นเหตุแห่งทิฏฐิวิสุทธิจริงอยู่การเห็นจุติและอุบาททั้งสองอย่างพวกที่นับว่าเป็นโอรสพระพุทธเจ้าเท่านั้นจึงเห็นได้การเห็นนั้นท่านกล่าวว่าชื่อว่าหมวดจดเพราะเป็นเหตุแห่งทิฏฐิวิสุทธิ ด้วยการเห็นทั้งจุติและอุบัติตาคือยานอันหมดจดนั้นพึงทราบว่าผลวิสัยของมนุษย์ธรรมดาเพราะเห็นรูปได้ไกลกว่ามนุษย์ธรรมดาหรือเพราะเห็นได้กลา ย, ยิ่งกว่าตาเนื้อของมนุษย์ธรรมดาย่อมเห็นด้วยตาทิพนั้นอันหมดจดล่วงพ้นวิสัยที่มนุษย์ธรรมดาจะเห็นได้คําว่าเห็นสัตว์คือแลดูสัตว์ เห็นได้ดุดตาเนื้อของมนุษย์ธรรมดาในคำว่าผู้จุติและอุบัติอยู่นี้หมายความว่าในขณะจุติหรือในขณะอุบัติที่ใครๆไม่อาจจะเห็นได้ด้วยตาทิพย์ก็สัตว์เหล่าใดใกล้าจากจุติคือจากจุติในบัตดนี้เหตุนั้นสัตว์เหล่านั้นท่านมีความประสงค์ว่าผู้จุติอยู่ก็แล สัตว์เหล่าได้ถือปฏิสนธิแล้วคือบังเกิดแล้วในบัดนี้สัตว์เหล่านั้นท่านมีความประสงค์ว่าผู้อุบัติอยู่ท่านแสดงว่าเห็นสัตว์เหล่านั้นผู้จุติและอุบัติอยู่เช่นนั้นคำว่าผู้เลวคือถอยซามต่าช้าที่คนดูหมิ่นได้ด้วยอานาจชาติสกุลและโภคาเป็นต้นอันซาม เพราะเป็นผู้ประกอบด้วยวิบากอันเพลดผลมาจากโมหะคำว่าประณีตคือที่ตรงกันข้ามจากนั้นเพราะประกอบด้วยวิบากอันเพลดผลมาจากอโมหะคำว่าผู้มีผิวพันธ์ดีคือผู้ประกอบด้วยผิวพันธุ์น่าประนานนาน่าใกล้น่าพอใจเปราะประกอบด้วยวิบากอันลังออกมาจากอโทสะ คำว่าผู้มีผิวพันธ์ซามคือผู้ประกอบด้วยผิวพันธ์ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใครไม่น่าพอใจเพราะประกอบด้วยวิบากอันหลังออกมาจากโทสะเนื้อความแห่งคำนั้นก็คือผู้มีรูปร่างไม่งดงามและผู้มีรูปร่างขี้เรคคาว่าผู้ไปดีคือไปสู่สุขติหรือเป็นคนมั่งคัง่งมีทรัพสมบัติมากหลาย เพราะเป็นผู้ประกอบด้วยวิบากอันหลังออกมาจากความไม่โลภคำว่าผู้ไปไม่ดีคือไปสู่ทุกขติหรือเป็นคนยากไร้เข็นใจมีข้าวและน้ำอัตคัดเพราะประกอบด้วยวิบากอันหลังออกจากโลภะคำว่าผู้เข้าถึงตามกรรมคือตนเองสั่งสมกรรมเดๆดยไว้ก็เข้าไปรับผลกรรมนั้นนั้น ในบทเหล่านั้นด้วยบทเป็นต้นว่าผู้จุติอยู่ดังนี้ท่านกล่าวมุ่งถึงหน้าที่ของทิพยจักสุส่วนบทนี้ท่านกล่าวถึงหน้าที่ของยถากรรมมุปปคยานคือยานเป็นเครื่องให้รู้ถึงสัตว์ผู้เข้าไปรับผลตามกรรมที่ทรมาและลำดับแห่งการเกิดของยานนั้นดังนี้ภิกษุในพระศาสนานี้เจริญอาโลกักกสิน มุ่งตรงต่อนรกที่อยู่ภายใต้ยอมเห็นสัตว์ทั้งหลายผู้เกิดในนรกกำลังเสวยทุกข์อย่างแสนสาหัสก็ความเห็นอันนั้นจัดว่าเป็นหน้าที่ของทิพยจักสุนันนั่นแหลเธอนั้นใส่ใจอย่างนี้ว่าสัตว์เหล่านี้ทำกรรมอะไรไว้หนอจึงมาเสวยทุกนี้ครั้นกล่าวนี้อย่านั้นมีกรรมเป็นอารมณ์ย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้นว่า เขาทำกรรมอย่างนี้ไว้อันหนึ่งภิกษุเจริญอาโลกักกสินมุ่งตรงต่อเทวโลกเบื้องบนเห็นหมู่เทพในนันทวันมีสักวันและปารุสักวันเป็นต้นผู้กำลังสวยสมบัติอย่างมโหลานกำลังเห็นแม้อย่างนี้จัดว่าเป็นหน้าที่ของทิพยจักสุนั้นนั่นแหละเธอจึงใส่ใจอย่างนี้ว่า มูเทพเหล่านี้ทํากรรมอะไรไว้หนอจึงได้มาสวยสมบัติเห็นป่านนี้ครั้นคราวนี้ยานมีกรรมเป็นอารมณ์ย่อมเกิดปรากฏแก่เธอนั้นว่าเขาทํากรรมชื่อนี้ไว้นี้ชื่อว่ายะถากรรมมุปภะยานสําหรับยานนี้ไม่มีบริกรรมเป็นแผนกหนึ่งก็การไม่มีบริกรรม เป็นแผนกหนึ่งของยานนี้ฉันใดแม้อนาคตังสยานก็ย่อมเป็นฉันนั้นนั่นแหลจริงอยู่ยานที่เป็นบาทของทิพยจักรสุนั่นแหละย่อมสําเร็จพร้อมกับทิพยจักรสุทีเดียวในคําว่าด้วยกายยตุจริตเป็นต้นมีความหมายว่ากรรมที่บุคคลประพฤติแล้วชั่วช้าเร็วซาม หรือกรรมชั่วช้าเลวซามที่บุคคลประพฤติแล้วเพราะเป็นกรรมเน่าด้วยกิเลสเหตุนั้นกรรมนั้นจึงชื่อว่าทุจริตทุจริตทางกายหรือทุจริตที่เกิดขึ้นแต่กายชื่อกายทุจริตแม้ในบทนอกจากนี้ก็มีความหมายอย่างนี้เหมือนกันคำว่าประกอบแล้วคือเป็นผู้พร้อมเพรียง คำว่าเป็นผู้เข้าไปว่ากล่าวพระอริยะทั้งหลายคือเป็นผู้มุ่งความชิบหายแก่พระอริยะคือพระพุทธเจ้าพระปจเจกพุทธเจ้าพระสาวกของพระพุทธเจ้าโดยที่สุดแมคครหัดผู้เป็นโสดาบันเป็นผู้เข้าไปว่ากล่าวมีอธิบายว่าดาแดกดันด้วยอันติมวัตถุหรือด้วยการกาจัดเสียซึ่งคุณงามความดี ในสองอย่างนั้นเมื่อเธอพูดว่าแม้ธรรมะสำหรับสมณะก็ไม่มีแก่ท่านเหล่านี้ท่านเหล่านี้ไม่ใช่สมณะเลยดังนี้พึงทราบว่าด่าด้วยอันติมาวัตถุเมื่อเธอพูดคาเป็นต้นว่ายานวิโมกมักผลไม่มีแก่คนเหล่านี้พึงทราบว่าด่าด้วยการมุ่งที่จะกำจัดคุณงามความดี ก็ผู้นั้นรู้อยู่ก็ดีไม่รู้อยู่ก็ดีอย่างขืนด่าจัดว่าเป็นอริยปวารทั้งสองอย่างแลกรรมนั้นเป็นกรรมหนักเช่นเดียวกับอนันตริยกรรมห้ามสวรรค์ห้ามมรรคผลนิพพานแต่ก็ยังพอเยียวยาได้เพื่อจะทําเนื้อความนั้นให้แจ่มแจ้งนักศึกษาควรทราบเรื่องนี้เป็นตัวอย่างเล่ากันมาว่า พระเทระกับภิกษุหนุ่มไปบินทบาทด้วยกันในหมู่บ้านแห่งหนึ่งพอเดินถึงบ้านหลังแรกเท่านั้นพระทั้งสองรูปก็ได้รับบินทบาทเป็นข้าวยาคู่ร้อนกระบวยหนึ่งพระเทระเกิดมีลมเสียดแทงขึ้นในท้องท่านจึงคิดว่าข้าวยาคูนี้ช่างเหมาะแก่โรคของเราเสียจริงเราจะดื่มมันตอนที่ยังอุ่นๆนี่หละท่านจึงนั่งดื่มบนท่อนไม้ที่พวกคนชาวบ้าน นำมาเพื่อทำธรณีประตูฝ่ายภิกษุหนุ่มเกิดความรังเกียจท่านจึงกล่าวติเตียนว่าพระแก่เนี่ยหิวจัดเต็มทีตะละมากทำให้เราได้รับความอับอายพระเถระเที่ยวไปในบ้านแล้วกลับมายังวัดจึงถามภิกษุหนุ่มนั้นว่าผู้มีอายุเธอมีที่พึ่งในพระศาสนานี้หรือยังละ่ะพระภิกษุหนุ่มตอบว่ามีสิครับ ก็ผมเป็นพระโสดาบันพระเถระพูดว่าถ้าอย่างนั้นเธออย่าได้ทำความพยายามเพื่อมักผลชั้นสูงสูงต่อไปเลยพระภิกษุหนุ่มย้อนถามว่าเพราะเหตุไรครับพระเถระตอบว่าก็เพราะว่าเธอได้ว่าร้ายพระขีณาสพแล้วละสิภิกษุหนุ่มนั้นได้สานึกผิดขอขมาพระเถระแล้วด้วยการขอขมานั้น กรรมของเธอจึงได้เป็นปกติดังเดิมเพราะเหตุนั้นผู้ใดผู้หนึ่งไปว่าร้ายพระอริยะเจ้าผู้นั้นต้องไปขอขมาท่านถ้าตนแกพ่พรรษากว่าพึงนั่งประโยงไม่ต้องไหว้กล่าวคำขอขมาว่าอะหังอายะสัมันตังอิทันจิทันจักอวจังตัมเมฆมาหิฉันได้กล่าวถ้อยคำอย่างนี้กับเธอ ขอเธอจงยกโทษนั้นแก่ฉันเถิดถ้าตนอ่อนพันษากว่าต้องไหว้แล้วนั่งประโยงประคองอัญชลีขอขมาว่าอาหางพันเตตุมเหิทันจิทันจะอวัจจังตามเอกมถา ท, ท่านขอรับกระผมได้กล่าวถ้อยคาอย่างนี้อย่างนี้กับท่านขอท่านได้โปรดยกโทษนั้นแก่กระผมด้วยเถิดถ้าท่านหลีกไปที่อื่นเสียแล้ว พึงไปขอขมาด้วยตัวเองหรือส่งสัตวที่วิหาริกเป็นต้นให้ไปขอขมาแทนตนก็ได้ก็ถ้าไม่สามารถจะไปเองได้ทั้งไม่สามารถจะส่งผู้อื่นไปแทนได้ภิกษุเหล่าใดอยู่ในวัดนั้นพึงไปสู่สำนักของภิกษุเหล่านั้นถ้าอ่อนพรรษากว่าพึงนั่งกระโยงถ้าแก่พรรษากว่าพึงปฏิบัติ ต, ตามนย่าแห่งวัด ที่พึงทำในท่านผู้แก่พรรษาดังกล่าวแล้วนั่นแลแล้วกล่าวขอขมาว่าอะหังพันเตอสุกังนามะอายะสมันตังอิทันจิตทันจะอวจังขมาตุเมโสอายะสมมาท่านเจ้าค่ะข้าพเจ้าได้กล่าวคำคำนี้กับท่านผู้มีอายุชื่อโ น, น้นขอท่านผู้มีอายุรูปนั้นจงยกโทษแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด แม้เธอไม่ขอขมาต่อหน้าแต่พึงทำการขอขมาดังว่ามานี้นั่นแหลหากท่านเป็นภิกษุเที่ยวไปผู้เดียวไม่ปรากฏที่อยู่ไม่ปรากฏที่ไปพึงไปหาภิกษุผู้เป็นบัณฑิตรูปหนึ่งแล้วพึงกล่าวว่าท่านขอรับกระผมได้กล่าวถ้อยคําอย่างนี้อย่างนี้กับท่านผู้มีอายุชื่อโนอน บัด น, นี้ความเดือดร้อนในใจเกิดมีแกกระผมทุกครั้งที่นึกถึงท่านนี่กระผมจะทำอย่างไรดีภิกษุผู้บัณฑิตนั้นจะกล่าวว่าอย่าคิดไปเลยคุณพระเทระท่านไม่ถือโทษหรอกจงสบายใจเสถิดฝ่ายภิกษุนั้นพึงผินหน้าไปทางที่พระอริยาเจ้าท่านไปแล้วประของอันชลีกล่าวว่าขอท่านจงยกโทษให้กระผมเถิด ถ้าหากพระเทรรรูปนั้นปริณิพานเสียแล้วก็ควรไปอย่างที่ใกล้เตียงนอนปริณิพานของท่านถึงจะไปยังป่าชา้าก็ให้ท่านยกโทษให้แก่ตนได้เมื่อทำได้ดังนี้กรรมนั้นไม่เป็นอันห้ามสวรรค์และไม่กมั้นมรรคผลนิพพานก็จะกลับเป็นปกติได้ดังเดิมคําว่าเป็นคนมิจฉาทิฏฐิ คือเป็นคนมีความเห็นวิปริตคำว่าสมถานกรรมของมิจฉาทิฏฐิคือผู้มีกรรมหลายอย่างที่ตนยึดมั่นไว้ด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิทั้งยังจะชักชวนคนอื่นๆไปในทางกายกรรมเป็นต้นอันมีมิจฉาทิฏฐิเป็นเหตุอีกด้วยอันหนึ่งในอธิการนี้พึงทราบว่าแม้เมื่ออริยุปะวาทท่านสงเคราะห์แล้วด้วยศัพท์ คือวจีทุจริตและเมื่อมิจฉาทิฏฐิท่านสงเคราะห์แล้วด้วยศัพท์คือมโนทุจริตก็ดีการกล่าวทั้งสองบทนี้ไว้อีกก็เพื่อจะแสดงถึงว่ากรรมทั้งสองเหล่านี้มีโทษมากจริงอยู่อริยุปวารมีโทษมากเพราะเป็นเช่นเดียวกับอนันตริยกรรมจริงอย่างนั้นถึงพระผู้มีพระภาค ก็ได้ตรัสคำนี้ไว้ว่าสารีบุตรภิกษุพูดถึงพร้อมด้วยศีลถึงพร้อมด้วยสมาธิถึงพร้อมด้วยปัญญาพึงบรรลุพระอรหันต์ในภพนี้ได้เลยฉันใดสารีบุตรเรากล่าวอุปมาันนี้ว่าเหมือนอย่างนั้นคือเป็นที่แน่นอนทีเดียวคนที่ไม่ละวาจานั้นไม่ละจิตนั้นไม่ละทิฏฐินั้นจะต้องถูกวาจาจิต ละทิฏฐินั้นฝังแล้วเหมือนถูกนายนิรยาบาลฝังไว้แล้วในนรกฉะนั้นก็ความชั่วอย่างอื่นที่จะชื่อว่าโทษมากกว่ามิจฉาทิฏฐินั้นเห็นจะไม่มีแน่สมดังที่พระองค์ตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่เคยเห็นธรรมะอย่างอื่นแม้สักอย่างเดียวที่จะมีโทษมากยิ่งเหมือนมิจฉาทิฏฐินี้เลยนะภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลาย โทษทั้งหลายมีมิจฉาทิฏฐิเป็นยอดของโทษคำว่าเพราะกายแตกคือเพราะสละอุปาทินนขันคำว่าเบื้องหน้าแต่ตายคือในการถือเอาขันซึ่งเกิดใหม่ในลำดับแห่งอุปาทินนขันนั้นอีกอย่างหนึ่งคำว่าเพราะกายแตกคือเพราะชีวิตตินสีขาดสิ้นไป คำว่าเบื้องหน้าแต่ตายคือต่อจากจุติจิตไปคำว่าอาบายเป็นต้นทุกคำใช้คำเรียกแทนนรกนั่นเองจริงอยู่นรกได้ชื่อว่าอาบายเพราะปราศจากความเจริญซึ่งสมมุติว่าเป็นบุญอันเป็นเหตุแห่งสวรรค์และนิพพานหรือเพราะไม่มีความเจริญแห่งความสุขทั้งหลาย อบายนั้นเป็นที่ถึงทุก์คือเป็นที่พมนักแห่งทุกขเหตุนั้นจึงชื่อว่าทุกขติอีกในยะหนึ่งชื่อว่าทุกขติเพราะเป็นขติที่เกิดแล้วด้วยกรรมชั่วเพราะเป็นผู้มากไปด้วยโทษผู้ทําชั่วย่อมตกไปในที่นั้นโดยปราศจากอำนาจกีดขวางเหตุนั้นที่นั้นจึงชื่อว่าวินิบาศ หรือผู้ทำชั่วยอมย่อยยับตกไปในที่นี้มีองค์อวัยวะน้อยใหญ่แตกสลายแม้เพราะเหตุนี้จึงชื่อว่าวินิบาศความเจริญที่รู้ได้ด้วยความแช่มชื่นไม่มีในที่นี้เหตุนั้นที่นี้จึงชื่อว่านิระยะอีกอย่างหนึ่งท่านแสดงถึงกำเนิดสัตว์เดรัจฉานด้วยศัพท์ว่าอปายะ จริงอยู่กำเนิดสัตว์เดรัชชานชื่อว่าอัปปายะเพราะปราศจากสุขติแต่กำเนิดสัตว์เดรัชฉานนี้ไม่จัดเป็นทุกติเพราะเป็นที่สมพบแห่งเดรัชฉานจำพวกที่มีศักดาใหญ่เช่นนาคราชเป็นต้นท่านแสดงถึงแหล่งที่อยู่ของเปรตไว้ด้วยศัพท์ว่าทุกติจริงอยู่แหล่งที่อยู่ของเปรตนั้น ชื่อว่าอบายด้วยและชื่อว่าทุกขติด้วยเพราะปราศจากสุขติและเพราะเป็นที่ถึงความทุกข์แต่ก็ไม่ชื่อว่าวินิบาทเพราะเปรตวิสัยนั้นไม่ได้ตกไปอย่างย่อยยับเช่นกับอสุรกายท่านแสดงอสุรกายไว้ด้วยสัพว่าวินิบาทจริงอยู่อสุรกายนั้นชื่อว่าอบาย และทุกติตามความหมายที่ได้กล่าวไว้แล้วและท่านเรียกว่าวินิบาทเพรออาะอสุรกายนั้นตกไปจากความเจริญแห่งสมบัติทุกประการท่านแสดงถึงนรกนั้นนั่นเองอันมีหลายอย่างเช่นอเวจีมหานรกเป็นต้นด้วยศัพท์ว่านรกคำว่าเข้าถึงแล้วคือเข้าไปแล้ว อธิบายว่าเกิดเฉพาะแล้วในอบายเป็นต้นนั้นฝ่ายที่ดีนักศึกษาพึงทราบปริยายที่ตรงกันข้ามจากฝ่ายชั่วที่กล่าวมาแล้วนั่นเถิดส่วนข้อความที่แปลกกันมีดังต่อไปนี้ก็ในที่นั้นท่านสงเคราะห์แม้คติของมนุษย์ไว้ด้วยศัพ์คือสุขคติถึงเทวคติ ท่านก็สงเคราะห์อย่างเดียวกันด้วยสาบว่าสวรรค์ในบทเหล่านั้นพึงทราบอัตถวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ว่าชื่อว่าสุขติเพราะดำเนินไปอย่างงดงามชื่อว่าสวรรค์เพราะภาวะที่เลิศ ด, ด้วยดีด้วยอารมมีรูปารมณ์เป็นต้นสวรรค์นั้นแม้ทั้งหมดท่านเรียกว่าโลกเพราะอัตถว่ามีอันจะต้องสุดโทมไป บทว่าด้วยจักสุตรทิพย์อย่างนี้ทั้งหมดจัดเป็นคำสรุปความย่อในคำนิคมนั้นว่าเห็นด้วยตาทิพย์อย่างนี้ก็กุลบุตรผู้เริ่มบำเพ็ญความเพียรเพื่อต้องการจะเห็นอย่างนี้พึงทำฌานมีอาภิญยาเป็นบาซึ่งมีกสินเป็นอารมณ์ให้ควรแกอาภินิหารโดยอาการทุกอย่างแล้วพึงทำกสินสามชนิดเหล่านี้ คือเตโชกสิลหนึ่งโอทาตกสินหนึ่งอาโละกาะสินหนึ่งอกะกะนนงย่างใดอย่างหนึ่งให้ใกล้ต่อ ก, การเกิดขึ้นแห่งทิพยจักรสุยานพึงขยายทำอุปจาระชาญให้เป็นโคจรแล้วพึงหยุดไว้อธิบายว่าไม่พึงยังอัปปนาให้เกิดในอารมณ์นั้นเพราะถ้าเธอให้อัปปนาเกิดขึ้น อารมณ์นั้นจะเป็นที่อาศัยแห่งฌานที่เป็นบาทไม่เป็นที่อาศัยแห่งบริกรรมก็ในกสินทั้งสามเหล่านี้อโลกะกกสินนั้นเท่านั้นประเสริฐกว่าเหตุนั้นพึงยังอโลกะกกสินนั้นหรือกสินอย่างใดอย่างหนึ่งบรรดากสินนอกจากนี้ให้เกิดขึ้นตามนัยยะดังที่ได้กล่าวแล้วในกสินนิเทศแล้วพึงหยุดอยู่ในอุปจาระภูมินั่นแหละก่อน จึงค่อยให้ขยายไปก็แม้ในยะแห่งการขยายชานี้นักศึกษาพึงทราบได้จากที่ได้กล่าวไว้แล้วในกสินนิเทศนั่นแหลเธอจะพึงเห็นรูปในภายในฐานะที่ได้ขยายแล้วขยายแล้วก็เมื่อพระโยคีนั้นเห็นรูปอยู่วาระแห่งบริกรรมย่อมผ่านพ้นไปแต่นั้น แสงสว่างแห่งอะโล ก, กะกสินก็หายไปเมื่อแสงสว่างนั้นหายไปแล้วแม้รูปก็จะไม่ปรากฏด้วยเมื่อเป็นเช่นนั้นประโยคีนี้ก็จะต้องเข้าฌานที่เป็นบาดนั่นแหละบ่อยๆออกจากฌานนั้นแล้วพึงแผ่แสงสว่างแสงสว่างจะแจ่มจ้าอยู่ได้ น, นานขึ้นโดยลำดับด้วยอาการอย่างนี้ ก็ในอธิการนี้ประโยคีกาหนดที่มีประมาณเท่าใดว่าอาโลโกโหตุแสงสว่างจงมีอยู่ในที่นี้เถิดดังนี้แสงสว่างยอมตั้งอยู่ในที่กาหนดแล้วนั่นแหลแม้เธอจะนั่งดูอยู่ทั้งวันก็เห็นรูปได้ทั้งวันก็บุรุษผู้เดินทางตลอดราตรีด้วยคบเพลิงยา่ายอมเป็นข้ออุปมาในเรื่องนี้ได้ ได้ยินว่าชายผู้หนึ่งใช้คบเพลิงย่าส่องทางเดินไปในเวลากลางคืนคบเพลิงนั้นของเขาหีีลงที่นี้เองเขาจึงไม่รู้ชัดว่าทางเดินนั้นเรียบหรือครุกระกันแน่เขาจึงใช้วิธีการเคลียร์คบเพลิงนั้นที่แผ่นดินทำให้มันลุกโพลงขึ้นใหม่พอคบเพลิงนั้นลุกโพลงขึ้นก็ได้ส่องแสงสว่างสวัยมากกว่าเดิมเมื่อชายนั้น ทำคบเพลิงที่รีลงแล้วให้โพล่ขึ้นใหม่อย่างนี้บ่อยๆพระอาทิตย์ก็โผล่ขึ้นโดยลำดับเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเขาคิดว่าเราไม่ต้องใช้คบเพลิงจึงทิ้งคบเพลิงนั้นเสียเดินไปได้จนตลอดวันพึงทราบความหมายในข้ออุปมานั้นดังต่อไป แสงสว่างแห่งกสิณในเวลาบริกรรมเป็นดุจแสงสว่างแห่งคบเพลิงเมื่ออาโลกกสิณหายไปเพราะลวงวาระแห่งการบริกรรมของพระโยคีผู้ดูแลดูรูปอยู่จึงมองไม่เห็นรูปดุจการไม่เห็นที่เรียบและที่กรุกระในเมื่อคบเพลิงรีลงฉะนั้นการเข้าบ่อยๆเปรียบเหมือนการพยายามเคลียคบเพลิงบ่อยๆฉะนั้น การแผ่แสงสว่างให้มีกำลังกว่าเดิมของพระโยคีผู้ทำบริกรรมบ่อยๆก็ดุดการทำคบเพลิงให้สว่างสวัยกว่าเก่าฉะนั้นการที่แสงสว่างอันแรงกล้าคงอยู่ตามที่ที่กำหนดไว้เปรียบดังการขึ้นไปแห่งพระอาทิตย์นั้นฉะนั้นการทิ้งแสงสว่างเล็กน้อยลาดูรูปด้วยแสงสว่างอันแจ่มจ้าทั้งวัน เปรียบดุดการจิ้งคบเพลิงแล้วเดินไปได้ทั้งวันในการเห็นรูปนั้นเมื่อใดรูป น, นะนี้คือรูปที่อยู่ในภายในท้องรูปที่อาศัยหัยวัตถุรูปที่อาศัยอยู่ใต้พื้นดินรูปที่อยู่นอกฟานอกภูเขานอกกำแพงและรูปที่อยู่ในจักรวาลอื่นอันไม่มาปรากฏทางตาเนื้อของภิกษุนั้น กมาปรากฏทางญาณจักสูของภิกษุนั้นได้คือดุจปรากฏแก่ตาเนื้อในเวลานั้นทิพยจักสุย่อมเป็นอันเกิดแล้วแต่ในอธิการนี้ทิพยจักสูนั้นสามารถเห็นรูปได้เท่านั้นแต่ไม่สามารถจะเห็นบุพภาคแห่งจิตได้ก็ทิพยจักสุนี้นั้นย่อมเป็นอันตรายแก่บุทุชน เพราะเหตุไรเพราะบุถุชนนั้นอธิฐานว่าจงสว่างดังนี้นาที่ใดๆที่นั้นๆย่อมสว่างจ้าเป็นอันเดียวกันแม้แทรกเข้าไปตลอดแผ่นดินทะเลและภูเขาครั้กรนกลาวนี้เมื่อเธอเห็นรูปยักษ์และรากศกเป็นต้นอันน่ากลัวในที่นั้นๆความหวาดกลัวย่อมเกิดขึ้น เพราะเหตุที่เธอถึงความฟุ้งซ่านแห่งใจเป็นผู้หัวเสียเพระาะฌานฉะนั้นพึงเป็นผู้ไม่ประมาทในการเห็นรูปเถิดในข้อนั้นมีลำดับการเกิดของทิพยญาจักษุดังต่อไปนี้เมื่อมโนทวาราวัชนาจิตทำรูปมีประการดังกล่าวแล้วนั้นให้เป็นรูปารมณ์เกิดขึ้นแล้วดับไป ชาวนะสี่หรือห้าดวงทำรูปนั้นนั่นแหละให้เป็นอารมณ์เกิดขึ้นคำทั้งหมดนักศึกษาพึงทราบตามในยา ก, ก่อนนั่นแหละแม้ในที่นี้บุพภาคจิตที่มีวิตกวิจาร์เป็นกามาวจรในที่สุดเป็นจิตยังประโยชน์ให้สำเร็จประกอบด้วยฌานที่สี่เป็นรูปาวจรฌานซึ่งเกิดพร้อมกับจิตนั่นแล ท่านเรียกว่าสัตตานังจุตูปปาตาญาณะบ้างที่พยาจักขูญาณะบ้างจบจุตูปปาตาญาณกถาความเบ็ดเตล็ดในอภิญญาพระโลกนาเจ้าผู้ทรงรู้แจ้งขันห้า แตรัสอภิญยาห้าเหล่าใดไว้พระโยคียเข้าใจอภิญยาเหล่านั้นแล้วพึงทราบถึงเรื่องเบ็ดเล็ดในอภิญยาเหล่านี้ดังต่อไปนี้จริงอยู่ในอภิญยาห้าเหล่านี้ที่พญาจักษุกล่าวคือจุดตูปะปะาปาตยานมียานเครื่องล้อมกำกับอยู่สองคืออนนาคตังสยานยานเครื่องรู้ในส่วนอนาคตหนึ่ง ยะถากำมุปปคยานยานเครื่องรู้ว่าสัตว์เข้าถึงตามกรรมหนึ่งยานสองเหล่านี้และอภิญยาห้ามีอิทธิวิทะเป็นต้นรวมกันเป็นยานฝ่ายอภิญยาเจ็ดมาแล้วในที่นี้ดังนี้แหลบัดนี้เพื่อไม่ให้หลงในการจำแนกอารมณ์แห่งอภิ ญ, ญายาญาณเหล่านั้นบัณฑิตพึงแสดงความเป็นไปแห่งอภิ ญ, ญายาญาณเจ็ดในอา ร, รมาติกาสี พระผู้มีพระภาคผู้ทรงสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ได้ตรัสไว้แล้วนี้เป็นการแสดงในอารมณติกะนั้นหมวดสามแห่งอารมณ์สี่อย่างจริงอยู่หมวดสามแห่งอารมณ์ที่พระผู้มีพระภาคผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ได้ตรัสไว้มีสี่อย่างสี่อย่างเป็นฉไฉนคือปริตตารมณติกะ หมวดสามแห่งบริตตารมหนึ่งมัคคารามนติกะหมวดสามแห่งมัคคารมหนึ่งอตีตารามณติกะหมวดสามแห่งอติตารมหนึ่งและอัชตารามณติกะหมวดสามแห่งอัชตารมหนึ่งในอภิญญายาเหล่านั้นอิทธิวิทยานเป็นไปในอารมณ์เจ็ด คือปริตารมหนึ่งมหัคตารมหนึ่งอติตารมหนึ่งอนาคตารมหนึ่งปัจจุบันนารมหนึ่งอัจตารมหนึ่งและพหิทธารมหนึ่งอิทธิวิทะในอารมณ์เจ็ดอย่างเป็นไปอย่างไรคืออิทธิวิทยา น, นั้นเมื่อใดพระโยคียทากายให้อิงอาศัยจิต ต้องการไปด้วยกายมิได้ปรากฏจึงน้อมกายไปด้วยอำนาจของจิตรวบรวมวางรู ป, ปกายลงในมหัคตาจิตเมื่อนั้นอารมณ์ที่ได้ด้วยการเข้าไปประกอบย่อมมีเพราะทมอธิบายอย่างนี้อิทธิวิทยานนั้นจึงชื่อว่าปริตตารมเพราะมีรู ป, ปกายเป็นอารมณ์ เมื่อได้พระโยคียทำจิตให้อิงอาศัยกายต้องการไปด้วยกายอันปรากฏจึงน้อมจิตไปด้วยอำนาจแห่งกายที่รวบรวมจิตอันประกอบไปด้วยฌานที่เป็นบาทลงไว้ในรู ป, ปกายเมื่อนั้นอารมณ์ที่ตนได้ด้วยการเข้าไปประกอบย่อมมีเพราะทำอธิบายดังว่ามานี้อิทธิวิทยา น, นั้นจึงชื่อว่ามหคตารม เพราะมีมหกคตะจิตเป็นอารมณ์อันหนึ่งเพราะเหตุที่พระโยคียทำจิตนั้นนั่นแลให้เป็นจิตที่ล่วงไปแล้วที่ดับไปแล้วให้เป็นอารมณ์เหตุนั้นอิทธิวิทยา น, นั้นจึงชื่อว่าเป็นอติตาารมณ์เมื่อพระโยคียอธิฐานอนาคตารม์ดุจพระมหากัสปะเทระเป็นต้น อธิษฐานในเวลาบรรจุพระมหาธาตุอิทธิวิทยา น, นั้นชื่อว่าเป็นอนาคตารมในยะว่าพระมหาคสปะเทระเมื่อจะทำการบรรจุพระมหาธาตุได้อธิษฐานว่ากลิ่นเหล่านี้จงยาเหือดหายดอกไม้จงยาแห้งประทีปจงยาดับตลอด218ปีในอนาคตการ สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดได้เป็นเหมือนอย่างการอธิษฐานนั้นพระอัสสากุตตะเทระเห็นหมู่ภิกษุอยู่ในเสนาสนะสําหรับประพฤติวัดฉันเข้าตากอยู่จึงอธิษฐานว่าบ่อน้ํานี้จงกลายเป็นน้ํำนมส้มในเวลาก่อนฉันอาหารเช้าทุกวันเถิดน้ําที่พวกภิกษุตักเอาในเวลาก่อนฉันอาหารจงเป็นน้ํำนมส้มในเวลาหลังอาหาร จงกลับเป็นน้ำธรรมดาเหมือนเดิมเถิดก็อิทธิวิทยานชื่อว่าปัจจุบันนารมณ์ในเวลาทํากายให้อิงอาศัยจิตไปได้ด้วยกายที่ไม่ปรากฏอิทธิวิทยา น, นั้นชื่อว่าเป็นอจัตตารมเพราะทาจิตที่พร้อมด้วยกายของตนให้เป็นอารมณ์ในเวลาที่น้อมจิตไปด้วยอํานาจกายหรือน้อมกายไปด้วยอานาจจิต และในเวลานิรมิตตนเป็นเพศกุมาน้อยเป็นต้นอันหนึ่งอิทธิวิทยานนั้นชื่อว่าเป็นพระหิทธารม์ในเวลาที่เห็นช้างและมาเป็นต้นในภายนอกความเป็นไปแห่งอิทธิวิทยานในอารมณ์เจ็ดอย่างพึงทราบดังได้พันานานิแลทิพโสตถาตุญาน ทิพสโตกทาตุญานย่อมเป็นไปในอารมณ์สีด้วยอำนาจปริตารมหนึ่งปัจจุบันนารมณ์หนึ่งอจัตตารมหนึ่งและพหิทธารมหนึ่งเป็นอย่างไรคือทิพสโตกทาตุญานนั้นเป็นปริตตารมได้แก่มีอารมณ์เป็นกามาวจรเพราะเหตุทําเสียงให้เป็นอารมณ์และเพราะเหตุว่าเสียงเป็นปริตตะคือกามาวจร และชื่อว่าเป็นปัจจุบันอารมณ์เฉพาะที่ทําปัจจุบันให้เป็นอารมณ์แล้วเป็นไปทิพโสโตรธาตุญานนั้นชื่อว่าเป็นอชัตตารมณ์ในเวลาฟังเสียงในท้องของตนชื่อว่าเป็นพรหิตารมณ์ในเวลาฟังเสียงของผู้อื่นพึงทราบความเป็นไปแห่งทิพโสโตรธาตุญาน ในอารมณ์สี่ดังอธิบายมานี้เจโตปริยายานเจโตปริยายานยอมเป็นไปในอารมณ์แปด้วยอำนาจปริตารมหนึ่งมหักคตารมหนึ 1, ่งอปปมานารมหนึ่งมัคคาวรมหนึ่งอติตารมหนึ่งอนาคาตารมหนึ่งปัจจุบันานารมหนึ่ง และพหิตารมหนึ่งเป็นอย่างไรคือเจโตปริยญาณ น, นั้นย่อมชื่อว่าเป็นปริตตารมในเวลารู้กามาวจรจิตแห่งผู้อื่นชื่อว่าเป็นมหคตารมในเวลารู้รูปาวจรจิตและอรูปาวจรจิตชื่อว่าเป็นอปมานารมในเวลารู้มรรคและผล แต่สำหรับยานนี้ปุถุชนไม่รู้จิตของพระโสดาบันพระโสดาบันก็ไม่รู้จิตของพระสกทาคามีพึงโยงไปอย่างนี้จนตราบเท่าถึงพระอระหันต์แต่พระอระหันต์ย่อมรู้จิตของคนทุกจำพวกแม้ท่านผู้วิเศษอื่นชั้นสูงขึ้นไปก็รู้จิตของผู้ตั้งอยู่ในผลชั้นต่ำได้พึงทราบความแปลกกันดังต่อไปนี้ เจโตปริย า, ยานย่อมเป็นมัคคารลมในเวลามีจิตสัมปยุทธ์ด้วยมัคเป็นอารมณ์ก็ในเวลาใดพระโยคีย่อมรู้จิตของผู้อื่นในภายในเจ็ดวันที่ล่วงไปแล้วและในภายในเจ็ดวันที่ยังมาไม่ถึงในเวลานั้นเจโตปริย า, ยานนั้นจัดว่าเป็นอตีตารลมและอนาคตารลม เจโตปริยายานนั้นจัดเป็นปัจจุบันอารมณ์ได้อย่างไรอันปัจจุบันมีสามอย่างคือปัจจุบันโดยขณะหนึ่งปัจจุบันโดยสันตติหนึ่งปัจจุบันโดยการยาวนานหนึ่งในปัจจุบันสามอย่างนั้นอารมณ์ที่ถึงความเกิดขึ้นดำรงอยู่และสลายไปคืออุปาทขณะทิติขณะและพังคคขณะ ชื่อว่าปัจจุบันโดยขณะอารมณ์ที่นับเนื่องในวาระสืบต่อหนึ่งหรือสองขณะชื่อว่าปัจจุบันโดยสันตติในปัจจุบันโดยสันตตินั้นได้แก่เมื่อพระโยคยีนั่งในที่มืดแล้วไปสู่ที่แจ้งอารมณ์ยังไม่ปรากฏก่อนแต่พึงทราบว่าเป็นวาระแห่งสันตติหนึ่งหรือสองวาระ ในระยะที่อารมณ์นั้นปรากฏแม้เมื่อประโยคีไปในที่สว่างแล้วเข้าไปสู่ห้องน้อยรูปยังไม่ปรากฏทันทีก่อนก็ในระยะที่รูปนั้นปรากฏนี้พึงทราบว่าเป็นวาระแห่งสันตติหนึ่งและสองวาระอันหนึ่งพระโยคียืนในที่ไกลเห็นความเคลื่อนไหวมือของคนย้อมผ้าและความเคลื่อนไหว คือการเคาะระฆังและตีกลองเป็นต้นยังไม่ได้ยินเสียงในทันทีในระหว่างที่เธอได้ยินเสียงนั้นพึงทราบว่าเป็นวาระแห่งสันตติต่อหนึ่งวาระหรือสองวาระอาจารย์ผู้กล่าวคำภีมัจจิมานิกายอธิบายไว้เพียงเท่านี้ฝ่ายอาจารย์ผู้กล่าวคำภีสังยุตตนิกายกล่าวถึงสันตติไว้สองอย่าง คือสัน ต, ติของรูปหนึ่งสัน ต, ติของสิ่งที่เป็นนามหนึ่งแล้วกล่าวว่าเมื่อบุคคลเหยียบน้ำไปชั่วระยะรอยน้ำที่คนเหยียบไปริมตะลิ่งยังไม่ใสนี้ชื่อว่ารูปสัน ต, ติหนึ่งเมื่อคนเดินทางมาไกลชั่วระยะความร้อนในร่างกายยังไม่สงบระ ง, งับนี้ชื่อว่ารูปสัน ต, ติหนึ่ง เมื่อคนเดินมาจากแดดแล้วเข้าห้องชั่วระยะที่ความมืดหน้ามัวตายังไม่หายไปนี้ก็ชื่อว่ารูปสัน ต, ติหนึ่งเมื่อพระโยคีมณสิการกรรมฐานอยู่ในห้องแล้วเปิดหน้าต่างมองออกไปในตอนกลางวันชั่วระยะที่ความร่าแห่งในตายังไม่หายไปนี้ก็ชื่อว่ารูปสัน ต, ติหนึ่ง วาระแห่งชวนะสองสามชื่อว่านามสันตติคือสันตติของสิ่งที่เป็นนามดังนี้กล่าวว่าสันตติทั้งสองนั้นชื่อว่าสันตติปัจจุบันคือปัจจุบันโดยสัน ต, ติปัจจุบันโดยยาวนาน ส่วนธรรมชาติที่กําหนดไว้ชั่วพบหนึ่งชื่อว่าปัจจุบันโดยการอันยาวนานดังที่พระมหากัจยณนะเทระหมายถึงกล่าวไว้ในพัเธกรัตนสูตรว่าอาวุโสก็ใจและธรรมะทั้งสองอย่างนั้นจัดเป็นปัจจุบันเมื่อใจและธรรมะทั้งสองนั้นเกิดขึ้นเฉพาะแล้วย่อมมีวิญญาเนื่องด้วยฉันธราคะ เพราะเหตุที่วิญญาเนื่องด้วยชันธราคะชนจึงยินดียิ่งซึ่งปัจจุบันนั้นเมื่อมีความยินดีในปัจจุบันนั้นอยู่ย่อมงอนแงนคลอนแคลนในธรรมะที่เป็นปัจจุบันนั้นก็ในปัจจุบันทั้งสองนี้ปัจจุบันโดยสันตติมาในอัตถกถาทั้งหลายส่วนปัจจุบันโดยการอันยาวนานมาในพระสูตรแล มติอาจารย์บางพวกในปัจจุบันเหล่านั้นอาจารย์บางพวกกล่าวว่าจิตที่เป็นปัจจุบันโดยขณะจัดเป็นอารมณ์แห่งเจโตปริยญาณเพราะเหตุไรเพราะจิตของภิกษุผู้มีฤทธิ์และของผู้อื่นย่อมเกิดขึ้นในขณะเดียวกันได้การอุปมาแห่งจิตเหล่านั้นมีดังต่อไปนี้ คือเหมือนอย่างเมื่อบุคคลเอาดอกไม้กามหนึ่งเวียงสัดไปในอากาศดอกไม้ดอกหนึ่งจะเสียบก้านเข้ากับก้านของดอกไม้อีกดอกหนึ่งได้เป็นแน่แท้ฉันใดเมื่อพระโยคีนึกถึงจิตของมหาชนด้วยอำนาจเป็นพวกหมู่โดยมุ่งหวังว่าเราจะรู้จิตของผู้อื่นจิตของคนคนหนึ่งย่อมจะประสานเข้ากับจิตดวงหนึ่งของผู้ใดผู้หนึ่งในหมู่นั้น ในอุ ป, ปาทคณะหรือทิติคณะหรือพังคคณะก็ได้โดยแท้ฉันนั้นแต่คำของเกจิอาจารย์นั้นถูกคัดค้านเสียแล้วในอัธกถาทั้งหลายว่าคำนั้นไม่ถูกเพราะพระโยคีเมื่อนึกอยู่ตั้งหนึ่งร้อยปีหนึ่งพันปีย่อมนึกด้วยจิตใดและย่อมรู้ด้วยจิตใดจิตทั้งสองเหล่านั้นไม่มีฐานร่วมกันเลย และเพราะโทษคืออาวัชนาจิตและชวนาจิตทั้งหลายถึงความมีอารมณ์แตกต่างกันไปในฐานะที่ไม่ควรส่วนปัจจุบันโดยสันตติและปัจจุบันโดยการอันยาวนานพึงทราบว่าเป็นอารมณ์แห่งเจโตปริยญาณได้พระอัตถกถาจารย์กล่าวอธิบายไว้ในอัตถกถาสังยุตตนิกายว่า ในปัจจุบันสองอย่างนั้นจิตของผู้อื่นที่มีในเวลาประมาณสองสามชวนะวิถีด้วยอำนาจเป็นอติตารมและเป็นอนาคตารมแต่ชวนะวิถีซึ่งเป็นไปได้อยู่อันใดจิตนั้นทั้งหมดชื่อว่าปัจจุบันโดยสันตติส่วนปัจจุบันโดยการอันยาวนานพึงแสดงโดยวาระแห่งชาวนะแล คำนั้นท่านกล่าวไว้ดีแล้วจะชี้แจงข้อความในคำนั้นดังต่อไปนี้ภิกษุผู้มีฤทธิ์ต้องการจะทราบจิตของผู้อื่นจึงอวชนาการไปอวชนาจิตทําสิ่งที่เป็นปัจจุบันโดยขณะให้เป็นอารมณ์ดับพร้อมกับสิ่งซึ่งเป็นปัจจุบันโดยขณะนั้นต่อจากนั้นมีชาวนาจิตสี่หรือห้าดวง ซึ่งดวงที่สุดเป็นจิตประกอบด้วยริษดวงที่เหลือเป็นการมาวจจรแม้บรรดาชาวนาจิตทั้งปวงเหล่านั้นจิตที่ดับนั้นแหลจัดว่าเป็นอารมณ์แต่ก็จิตเหล่านั้นไม่มีอารมณ์ต่างกันเลยเพราะมีอารมณ์เป็นปัจจุบันด้วยสามารถแห่งระยะการอันยาวนานจริงอยู่แม้ในภาวนาที่มีอารมณ์เดียว จิตอันประกอบด้วยริษเท่านั้นยอมรู้จักจิตของผู้อื่นฝ่ายจิตนอกนี้หารู้ไม่เปรียบดุจในจักขุทวารจักขุวิญญาณเท่านั้นเห็นรูปส่วนวิญญาณนอกจากนี้หาเห็นไม่เจโตปริยญาณดังที่ว่ามานี้ชื่อว่าเป็นปัจจุบันนารมณ์ด้วยอำนาจปัจจุบันโดยสัน ต, ติและปัจจุบันโดยการอันยาวนาน อีกนัยยะหนึ่งแม้ปัจจุบันโดยสันตติยอมเป็นไปในปัจจุบันโดยการอันยาวนานเท่านั้นเหตุนั้นเจโตปริยาญยาณ น, นี้พึงทราบว่าเป็นปัจจุบันนารมด้วยสามารถแห่งปัจจุบันโดยการอันยาวนานนั่นแหละและพึงทราบว่าเป็นพหิตธารมณ์ก็ได้เพราะมีจิตของผู้อื่นเป็นอารมณ์นั่นแหล ความเป็นไปในอารมณ์แปดแห่งเจโตปริยญาณพึงทราบดังบรรยายมาชนี้แลปุเพนิวาสยานในอารมณ์แปดอย่างปุเพนิวาสยานย่อมไปในอารมณ์แปดคือปริตตารมหนึ่งมหัคตารมหนึ่งอัปปมาณารมหนึ่ง มัคคารลมหนึ่งอติตารมหนึ่งอจชตารมหนึ่งพหิทธารมหนึ่งและนวัตตะารมหนึ่งเป็นไปอย่างไรคือปุเพนิวาสยานั้นในการที่ระลึกถึงขันธ์ที่เป็นกามาวจรก็เป็นปริตารลมในการที่ระลึกถึงขันธ์ที่เป็นรูปาวจรก็เป็นมหคตารม ในการที่ระลึกถึงด้วยมัคที่ตนเองหรือคนอื่นเจริญแล้วแล้วระลึกถึงผลที่ตนเองหรือคนอื่นได้ทำให้แจ้งแล้วในอดีตการก็เป็นอัปปมานารมในการที่ระลึกถึงมัคที่ตนเองหรือคนอื่นได้เจริญแล้วอย่างเดียวก็เป็นมัคขารมแต่โดยที่แน่นอนแล้วปุเพนิวาสยานี จัดเป็นอติตารม์แท้ในยานเหล่านั้นถึงเจโตปริยญาณและยถากรรมุปปคญาณจะจัดเป็นอติตารมณ์ก็จริงถึงกระนั้นบรรดาญาณทั้งสองนั้นจิตที่ล่วงไปแล้วในภายในเจ็ดวันจัดเป็นอารมณ์แห่งเจโตปริยญาณเพราะเจโตปริยญาณ น, นั้นไม่รู้จักขันอื่นหรือสังขารอันเนื่องด้วยขัน แต่ก็เพราะมีจิตสัมปยุทธ์ด้วยมัคเป็นอารมณ์ท่านจึงเรียกว่าเป็นมัคหาารมณ์โดยปริยายจริงอยู่ธรรมชาติที่ล่วงไปแล้วซึ่งเป็นแต่เพียงเจตนาเท่านั้นจัดว่าเป็นอารมณ์แห่งยถากรมุปปคยานแต่สำหรับปุเพนิวาสยานขันที่ล่วงไปแล้วหรือสังขารบางอย่างซึ่งเนื่องด้วยขัน อันจะชื่อว่าไม่เป็นอารมณ์หามีไม่เพราะปุเพนิวาสยานนั้นมีคติเสมอด้วยสัพพัญยุตยานในธรรมะคือขันอันล่วงไปแล้วและสังขารอันเนื่องด้วยขันนักศึกษาพึงทราบความแตกต่างกันดังนี้แหละมะติอัทกถาจารย์ เนื้อความในอัธกถาที่เกี่ยวข้องกับยานนี้มีดังต่อไปนี้ก็เพราะเหตุที่ท่านกล่าวไว้ในคำภีปัฐานว่าขันธ์ซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยโดยอารมณะปัจจัยแห่งอิทธิวิทยานเจโตปริย า, ยานปุเพนิวาสานุสติยานและยะถากรรมุปขยานฉะนั้นขันธ์ทั้งสี่ จึงเป็นอารมณ์แห่งเจโตปริยญาณและยะถากรรมุปปคยานได้แม้ในญาณทั้งสองนั้นขันทั้งที่เป็นกุศลและที่เป็นอกุศลนั่นแหลเป็นอารมณ์แห่งยะถากรรมุปปคยานได้ก็แลปุพเพนิวาสยา น, นั้นจัดเป็นอัจชตารม์ในเวลาที่นึกถึงขันของตน จัดเป็นพหิตารมในเวลาที่นึกถึงขันของคนอื่นจัดเป็นนวัตตภารมในเวลาที่นึกถึงชื่อโคดแผ่นดินและนิมิตเป็นต้นโดยในยะเช่นว่าในอดีตการได้มีพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่าวิปัสสีพระมารดาของพระองค์ทรงพระนามว่าพันธุมดีพระบิดาทรงพระนามว่าพันธุมา ก็ในบทว่าชื่อละโคตนี้พึงเพ่งถึงเนื้อความแห่งพยัญชนะที่สำเร็จได้โดยสมมุติซึ่งเนื่องด้วยขันไม่พึงเพ่งถึงแต่พยัญชนะอย่างเดียวเพราะพยัญชนะเป็นกา ม, มาวจรเพราะท่านส่งเคราะห์เข้าตามบ่อกเกิดแห่งศั์สมดังที่ท่านกล่าวไว้ว่านิรุตติปฏิสัมพิธามีกา ม, มาวาจรเป็นอารมณ์ เนื้อความนี้นับว่าเป็นความถูกใจของพวกข้าพเจ้าความเป็นไปในอารมณ์แปดแห่งปุเพนิวาสยานพึงทราบความหมายดังบรรยายมาชะนี้แลทิพจักขุยานในอารมณ์สี่อย่างทิพจักขุยานย่อมเป็นไปในอารมณ์สี่อย่าง คือปริตตารมหนึ่งปัจจุปันนารมณหนึ่งอจัตตารมหนึ่งละพหิตทารมหนึ่งเป็นอย่างไรคือที่พระจักคุยานนั้นชื่อว่าเป็นปริตตารมเพราะทารูปให้เป็นอารมณ์และรูปก็เป็นกามาวจรด้วยชื่อว่าเป็นปัจจุปันนาารมณ์ก็เพราะเป็นไปในรูปเฉพาะที่มีอยู่ ชื่อว่าเป็นอชัตตารมในเวลาที่เห็นรูปอันอยู่ในท้องของตนเป็นต้นชื่อว่าเป็นพหิตารมในเวลาที่เห็นรูปของผู้อื่นความเป็นไปในอารมณ์สี่แห่งทิพจักขูยานพึงทราบความหมายดังบรรยายมาชะนี้อ น, นาขตังสยาน ในอารมณ์แปดอย่างอนาคตังสยานย่อมเป็นไปในอารมณ์แปดคือปริตตาอารมณ์หนึ่งมหคตารมหนึ่งอปมานารมหนึ่งมัคคารมหนึ่งอนาคาตารมหนึ่งอจัตตารมหนึ่งพระหิทธารมหนึ่งและนวัตตพารมหนึ่งเป็นอย่างไร คืออนาคตังสยานนั้นชื่อว่าเป็นปริตารมในเวลาที่รู้ว่าสัตว์นี้จะเกิดในชั้นกามาวจรในอนาคตกาลชื่อว่าเป็นมหัคตารมในเวลาที่รู้ว่าสัตว์นี้จะเกิดในรูปาวจรหรืออรูปาวจรชื่อว่าเป็นอัปมานารมในเวลาที่รู้ว่าเขาจะทำมักให้เจริญ เขาจะทำให้แจำแจ้งซึ่งผลชื่อว่ามักข่ารมในเวลาที่รู้ว่าเขาจัะทํามักให้เจริญอย่างเดียวแต่ว่าโดยแน่แท้แล้วอนาคตังสยานนี้มีอารมณ์เป็นอนาคตอย่างเดียวเท่านั้นในอารมณ์เหล่านั้นแม้เจโตปริย า, ยานจะเป็นอนาคตารมณ์ได้ก็จริงแลแต่เท่าว่า เจโตปริ ย, ยายนั้นมีจิตที่เป็นอนาคตภายในระยะเจ็ดวันเท่านั้นเป็นอารมณ์เพราะเจโตปริ ย, ยายนั้นย่อมไม่รู้ถึงขันอื่นหรือสังขารอันเนื่องด้วยขันเลยแต่สิ่งอะไรๆในอนาคตชื่อว่ามิได้เป็นอารมณ์แห่งอนาคตตังสยานหามีไม่ตามข้อความที่กล่าวมาแล้วในปุปเพนิวาสยาน ชื่อว่าเป็นอัจชตาลมได้ในเวลาที่รู้ว่าเราจะเกิดในที่โน้นชื่อว่าเป็นพหิทธารมได้ในเวลาที่รู้ว่าคนโน้นจะเกิดในที่โน้นในเวลาที่รู้ชื่อและโคตโดยในยะเป็นต้นว่าในอนาคตพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่าเมเตยะจกเสด็จอุบัติขึ้น รามชื่อว่าสุพรหมมาจะเป็นพระบิดาของพระองค์รามณีชื่อว่าพรหมวดีจะเป็นพระมารดาของพระองค์ดังนี้จัดเป็นนวัตภารม์ตามนยะดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในปุเพนิวาสยานนั่นแหลความเป็นไปในอารมณ์แปแห่งอนาคตังสยานนักศึกษาพึงทราบความหมายดังได้บรรยายมาชันนี้ ยถากรรมุปคยานในอารมณ์ห้าอย่างยถากรรมุปคยานเป็นไปในอารมณ์ห้าคือปริตตารมณ์หนึ่งมหคตารมณ์หนึ่งอตีตารมณ์หนึ่งอจชตารมณ์หนึ่งลภหิตธารมณ์หนึ่งเป็นอย่างไรคือยถากรรมุปคยานนั้นย่อมชื่อว่าเป็นปริตตาารมณ์ ในเวลาที่รู้กรรมที่เป็นกามาวจรเป็นมหักตารมในเวลาที่รู้กรรมที่เป็นรูปาวจรและอรูปาวจรเป็นอติตารมเพราะเหตุที่รู้เฉพาะอดีตเป็นอจชตารมในเวลาที่รู้กรรมของตนเป็นพยิทธารลมในเวลาที่รู้กรรมของผู้อื่น ความเป็นไปในอารมณ์ห้าแห่งยถากรรมุปปคยานนักศึกษาพึงทราบข้อความดังที่ได้บรรยายมาชนี้แหลส่วนในอธิการนี้คําใดที่ท่านกล่าวไว้ว่าอัจชติอารมณ์และภหิตทารม์ดังนี้คํานั้นท่านกล่าวไว้ด้วยมีอถาธิบายว่ายถากรรมุปปคยานนั้นในเวลาที่รู้กรรมภายใน คือของตนเองตามการเวลาและในเวลาที่รู้กรรมภายนอกคือของคนอื่นตามการเวลาก็จัดเป็นอจตตาภิหิทารมได้บ้างเหมือนกันฉะนี้แหละปริเชตที่สิบสาชื่อว่าอภิน ญ, ญานิเทศในประกรณ์วิเศษชื่อวิสุธทธิมัก อันข้าพเจ้ารจนาขึ้นไว้เพื่อให้เกิดความปราโมทแห่งสาธุชนทั้งหลายดังนี้จบคำพีวิสุธทธิมักปริเชตที่ส3บสาพระพุทธโคสะเถระรจนา